แล้ววันพุธที่31นี้จะมีนักศึกษาต่างชาติ10กว่าคน31ใช่ไหมครับพุธใช่ไหมครับปลายเดือนเลยครับได้ครับเพราะว่าเรามาเก็บข้า10กว่าคนใช่ไหมครับไดครับพ อ, อ, อ, อมาทุกปีพอมาเรียนซัมเมอร์ที่เอเชียร์วิวแล้วมาทีกี่ชั่วโมงครับเหมือนเดิม2ชั่วโมงก็คุยกันไปชั่วโมง ก, กว่าๆเลยแล้วแล้วาต่อปัญหาอะไร ก็เหมือนสักทุกที่๋อแต่คานี้คนประเทศไรครับอาจารย์มีมาจากยุโรปมีหลายชาติอ้สิบกว่าคนนะครับอาจารย์จากเอเชียนอยู่ที่ตอนนั้นมาที่บอกว่าจะมาทุกปีนะครับจะพักที่ที่โรงเรียนทิศหนึ่งโดยภากที่พัทยาทิศหนึ่งโรงแรมเราข้ามรู้จักตรงนี้ได้ครับแล้วเขาก็ไปอยู่กรุงเทพนี่ยอียงแห้วกบบมาศึกษาวัฒนธรรมไทยศึกษาประเพณีศึกษา เอ่อ business College อ Asian business and culture เป็นหลักสูตรมันจะอมาแค่วันเดียวแต่ว่านอนข้างล่กวั่อจ่าเหรอครับไม่ก็นอนที่เอเชียอยู่อยู่โกลางเอเชียอยู่อยูแต่ว่าจะมาที่นี่วันเดียวเออมาฟังธรรมวันใครจะมาหลายวันหนึ่งวันเดียวไม่ไม่พอเขาเขาต้องเรียนหักสูตรเยอะอ๋อครับเอออย่ารงนี้อยู่ คับอยู่ที่ข้างถนนสายสาม่อยู่ข้างหลังนี่เองเ3ยสายสามาหนึ่งไปหลังวัดได้ครับวันที่สามครับได้ถ้าสะดวกก็ลองมาทางสะดวกก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรครับอาจารย์บางปีบางปีก็เยอะบางปีก็ปีนี้น้อยปีที่นล้วยี่สิบกว่าคนปีนี้แค่สิบกว่าคนครับอาจารย์ คือเขาเขาสมัครเรียนกันเหมือนว่าเป็นเป็นเป็นได้หน่วยกิจการหน่วยกิจอะไรเนี้ยอ๋อคือจะต้องต้องมีหลักสูตรที่จะต้องมาก็ไม่จําเป็นจะมากคือเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้คืออะไรแล้วก็เข้ามาเรียนเขาก็ได้หน่วยกิจครั้งเหมือนกับเข้ามาเรียนซัมเมอร์อย่างเงี้ยก็ได้มาเที่ยวด้วยไเที่ยวด้วยแล้วก็จับโปรแกรมให้ให้ให้อยู่ที่โรงแล็กโรงเรียนด้วยให้อยู่ที่พัทยาชายหาดอยู่ที่เชียงใหม่หรืออะไรเนี้ย ครับดูที่ทท ก, รรทกรุงเทศนักศึกก็จะไปสองสามจุดด้วยกันให้เขาได้สัมผัสกับชีวิตของของคนไทยอ๋อ อ, อยู่แบบกับคนไทยเลยของเอเชียว่าคนเอเชียเขาอยู่เป็นยังไงเรียนหนังสืออะไรทำอะไรแล้วก็มีาศาสนาพูดาศาสนาพูธสอนอะไรก็ส่งมาให้เราให้เราบุคคนสอนให้ครับ น้อยอย่างเลยค่ะฉันเคยอยู่เทศสามพี่น้องค่ะแล้ปริญญาหลานลูกสาวเปเร่ามในะกูนจบอะไรลูกสาวูจบอะไร๋อลูกสาวจบนิเทศค่ะยุธยที่สวาทค่ะเราจะไปเทศนาได้่ะ มันเป็นแม่ของน้มเป็นเพื่อนกันถึงเรียนเด้วยกันมาเลยตอนผมไปเรนนอกที่เียเรียนที่ไหนเรียนอยู่ม10ค่ะอยู่มาเชียวเรียนเด็กกมาเก่งเพราว่าเชียวเราไปรีจากกันที่ไหนทำงานด้วยกันค่ะจบแล้วไปทำงานด้วยกันไกลๆกันเขาคุจักกันทำงานที่พัทยานี่ยอ อะไรทำยังอยู่ละเปร้านขายอะไรขายร้านบรษัทนะรัรษัทเป็นร้านะที่พัทยาต้นี่ครับอนนี้ก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ี่อามีรงไหนเข้าเป็นในซอยก็เปล่าไม่ว่าอยู่ตรงนี้อยู่ถนนใหญ่ถนนโลขาวเขาเป็นซอยโลขาวเลยเพราะฉนั้นโรงแรมเยอะนะเมันน a l ล i n g Street ทเลย แม่ของบบงเขาก็ฟังพระอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ตเห็นพระอาจารย์อยู่ในอินเทอร์นเน็ตค่ะเห็นช่วงเดียวกันสักพักหนึ่งล่ะที่เห็นเขานี้มาก็เลยบอกว่ามานี่เคยเคยฟังธรรมไม่เคยมาก่อนเข้าไปไเ อ, เ, อเร์เไมครัง้งแรกค่ะเข้าไปเจอได้ยังไงก็ บุญนะคะมดก็คือบุญนะคะมันกดไปกดมามันชอบฟารายูทูบชอบชอบฟังธรรมะของแต่ละพระอาจารย์มันจนหมดแล้วนะ่ะมันไม่มีอะไรฟังก็เลยมาเจอพระอาจารย์ล่าล่าสุดนี่แหละค่ะอ็เลยได้รู้จักพอดีพอดีลูกชายบอกว่ารู้จักพระอาจารย์สุชาติให้มามารู้จักเสีรู้จักในหนังสีไปยังวเอาไปแล้วไปแล้ดีดีก็ได้แล้วนะ ก็ยูทูบร์คุณต่อนี้เป็นคนมาทำให้ก็ก็บอกมันอยู่ว่าระบบเสียงอัดมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่กันก็ปรับไปเรื่อยๆแต่ตอนหลังนี่ดีช่วงหลังนี่เริ่มรู้สึกแล้วครับพอรู้้สึกมีเครื่องมือหลายหลายเรเสียงเสียงจะแผวแล้วก็มีฝนตกด้วยนะคะว ตกบ่อยาเอฝนตกฝนตกก็ช่วยมันได้เสียงก็ไม่ค่อยชัดนะคะแต่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรก็ไม่มีอะไรไม่มีเครื่องช่วยก็ยังได้ขนาดนั้นไม่ไม่มีทีมงานนะครับทคนดียวก็เกดี่ยวเขไม่มีไฟอะไรเดี๋ยวเลยครับ เรามาทดลองดูที่คนหนคนของคนาได้ไหมมีที่มีที่ปฏิบัติทให้นั่งสมาธิเดินจรได้ที่ปฏิบัติทาด้วยนะคะีไว้นให้ชอบแต่จะเอมะะจะกับผู้ชายมากกว่าเาที่เป็นต่งมาแล้วผู้หญิงก็ต้องนด้าอถ้าผู้ชายก็ต้องแบบที่พอปฏิบัติได้แล้วมอยูก็ต้องมาขออนุญาตให้ได้ ยังไม่ได้เปิดให้ทั่วไปแต่ให้คนที่เคยมาบวชยล้ยติดใจยอยากจะกลับมาชาติแบตเตอรี่อย่างเงี้ยหรือว่าคนที่สนใจมาฟังเท ศ, ศ น, น์ธรรมแล้วชอบอยากจะลอมลองดูเพื่อแบบเข้ากรรมฐานนี้รับรับได้ไหมค ะ, ะแบบอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะก็เรียกล้ก็เรี่กแล้วแบบนี้หละมไม่มีกุติหรอกนี่จะเป็นแบบเป็นเนานเขาเรียกว่าเป็นแค่ มีสาวสีสาวหลังคาเดี๋ยวไปเดินดูก็ได้มีใกล้ๆกันเนี่ยผู้หญิงไม่ดปเจผู้หญิงเข้ามาเข้ามาเข้ามาฐานกนที่นี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ก็เป็นที่ของฐานเดี๋ยวผู้หญิงมาอยู่แล้วเดี๋ยวมีเรื่องขึ้นมาได้เดี๋ยวก็กลายเป็นข่าวใหญ่กันประันธ์าอมือไทยดังสุดตอนนี้ ที่วาสมใบไม่เลยทีนี่อจะไว้ใบแดงแดงค่เร้อนบรรยากาศดีมปะยดีถ้าคนชอบความสงบที่อย่างนี้ดีชอบนะคะบรรยากาศม่้ชอบทำสมาธิง่ายไม่มีอะไรมาลดกวญใจ ไม่มีอะไรนาร่อจิตน่อใจถ้าเกิดว่ามันเป็นเขาธรรมดามันก็นี่ครับแต่ว่าพอดีว่ามันเป็นเฉดรักษาความสัต์ตาก็มียางอยู่ว่าก็ใครก็ก็ไม่ใช่วอาร่างมีลวดล้อมสองพันไร่ที่มีลวดลวล้อมเลยครับล้อมหมดเลยข้างล่าข้างล่าทางขึ้นน้นเขาที่กันเนี่ยจะเห็นลวดไตมณฑลล้อมล้อมรอกเขานี่ ดังนั้นใครก็เลยเข้ามาไม่ได้มัก็เลยเช่นน เ, เดทีที่ตรงนี้ก็ไม่มีใครดูแลแล้วพอดีสมเด็จระสังฆราชให้พระขึ้นมาปฏิบัติธรรมวันนี้แล้วท่านก็ขึ้นมาปฏิบัติเขาสร้างกุฏิถวายให้ท่านเวลาท่านมาทำงานมามาธุระที่วัดยาเนี่ยกลางคืนท่านจยไม่นอนเงล่างาท่า น, น, านอย่ขึ้นมานอนข้างบนแล้ว ในหลวงทราบเลยในหลวงก็เลยมามาเฝ้ามาหาก็มารับแขกคนเนี้ยบนสาราเนี่ยมันเด็กสัก่งกระดนรั บ, ร, บ, ร, บรับในหลวงบนสาราหลังเนี่ยอนหลวงก็บอกเออที่ันนี้เงียบดีท่านก็เลยสั่งให้ให้ทางคมป่าไม้จัดเจ้าหน้าที่มามาดูแลคือมันเป็นที่หลวงอยู่แล้วแต่มันไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเพราะไม่มีงบประมาณ เาทาส่วนใหญ่ของของในประเทศแทยนี่เป็นของหลวงหมดแต่มันไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลถ้าไม่ดูแลก็ชาวบ้านบางทีก็จะบุกรุกขึ้นไปอตอนต้นนี้ข้างล่างเขาจะทำบรีสอร์ตนะนะตรงแถวทางเข้านี่เขา <c oughs> เขาแบ่งที่ขายนะ้แบ่งที่ขายเป็นแปลงๆ แ, <c oughs> แล้วก็ทางทางหลวงเลยเลยต้องซื้อขืนเงินคืนเงื น, แ, งนแล้วก็ ทำให้ป่าไม้มาทำรักก้วการมีเจ้าหน้าที่มาดูแลแล้วก็ปลูกป่าเพราะมันเสื่อมโทรมต้นไม้อะไรนไี่ถึกชาวบ้านตัดแต่งชาวบ้านยึบขึ้นมา ท, ทําสวนทําไร่กันอย่ออานี้ก็เลยพอดีเนี่ยเป็นเพราะว่ามีพระขึ้นมาหลบเบิกแล้วเนร ด, ดมูมามาเห็นมาพบสมเด็จสังฆราชก็เลยสั่งให้ทําโครงการพระราชดุลิขึ้ื่องนี้ ทำอ่างเก็บน้ำเนี่ยที่อ่างเก็บน้ําที่เราเห็นนี่เป็นโครงการ ห, หลวงวันนี้ก็มีอ่างอยู่หลายอ่างเหมืนกันทำไว้สำหรับให้ให้สัตว์มีน้ำเด่น แ, แล้วก็มีโครงการอาขยายพันธุ์สัตว์ปลาเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของสัตว์ที่หายากเช่นนกยูงไก่ฟ้าพวกกวางพวกอะไรเนี่ยเอามาเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาผสมพันธุ์กัน แล้วพอลูกออกมาก็เลี้ยงมันให้มันโตพอมันโตช่วยตัวเองได้ก็ปล่อยให้มันอยู่ในป่าเป็นบุญนะถ้าไม่มีโครงการในหลวงตรงนี้ก็จะไม่มีแบบนี้มันก็จะเป็นป่าเป็นเขาอาจจะมีทั้งชาวลวงชาวบ้านขึ้นเมื่อก่อนนี้มีชาวบ้านจะขึ้นมาดักสัตว์กันอยู่เรื่อยดักสัตว์อย่างนี้ก็เลยมีเจ้าหน้าที่ ใหม่ๆก็ยังมีคนฝืน อ, อยู่นะทางรู้วมันก็ยังตัดรู้ว่กันเข้ามาพ <c oughs> อเป็นเคยเข้ามาอยู่เป็นประจําบา ง, งทีเจอก็ต้องจับส่งไปให้ตํำรวจดำเนินคดีอตอนนี้ก็ค่อยๆเบาลงไปเพราะเขาเริ่มรู้แล้วว่าเข้ามาไม่ได้เอาจริงเอาจพระเคยใช้ที่นี้อาศัยของที่เขาไม่ได้เป็นของของของวัดที่นี้เป็นของป่ามา จะทําทอะไรนี้ต้องขออนุญาตเขาสักเขาเข า, เขาแม่อนุยาตให้เปิดที่ใหม่เขาให้ใช้แต่ที่เก่าที่ที่มีอยู่นี่สมมติถ้าอยากจะสร้างศาลาใหม่ก็ต้องรื้อของเก่าเมื่อเมื่อตอนต้นปีนั้งเคยไปคุยเขาเขาอยากจะขอสร้างศาลาตรงข้ า, ถามถนนเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าเปิดไม่ได้เพราะมันเป็นทางตามกฎหมายเขาไม่ให้ไม่ให้ประชาชนเข้ามา ทำประโยชน์ทำอะไรต่างไม่ให้ชาไม่ให้ประชาชนเข้ามาอยู่วัดก็อยู่ไม่ได้แต่เนื่องจากวัดของพระที่เรามาก่อนเขาที่จะออกกฎหมายอันนี้เขาก็เลยอนุอนุโลมให้ให้อยู่ตามสภาพที่มีอยู่เราจึงต้องแอบสร้างไอ้แค่เนี่ยในป่าแค่แค่คงมไม่เป็นไรครับอ<พ>าอจารย์แค่เขาไม่พอใจก็ดื้อทิ <พา S 1> ้งได้ไม่ เอาแล้วอย่างไอ้ตัวที่ต่อเติมเนี่ยครับไม่เป็นไรไงถ้าของของเก่าของเก่ามีแลไม่เป็นไรเอิ่มให้เปิดเปิดพื้นที่ใหม่คือว่าอันนี้ถ้าเราอยากจะสร้างใหม่แล้วก็รื้อของเก่าแล้วก็สร้างใหม่ได้อันนี้ถ้าเราอยากจะสร้างใหม่ก็รื้อได้สร้างใหม่ได้กุฏิแต่สารานี้มันขังไว้เติมขังเติมแล้ววันอากาศมันสงบดี เราขึ้นไปดูหลังข้างบนล้วดูแล้วมันไม่ค่อยสงบใช่ต้องใชว่ามันทันสมัยแล้วสมัยไปนีค่ะดีกว่าเออทันสมยยัยไ้ที่เราทำอย่างเงี้ยดีมีรายได้ที่พอเดี๋ยว น, นี้นั่งได้ทุกแขยมีเครื่องขยายเสี ย, ยงเยอะแยะแล้วมีคุณต่อเขา เป็นคนจัดการเอาเครื่องขยายมาตั้งไว้ตามจุดต <คน S 1> ่างๆเพราะว่าร่วมบุญเลยนบะแต่ตอนนี้ไม่รับนะครับตอนนี้7ดเครื่องแล้วเว<อ><อ>ลามาผมว่าในท้ายรถจ้องเอามาห้าเครื่องแล้ว อีกสองเครื่องเดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่มแล้วก็เวลาสาวทิ้งตแบกมาแต่จะเป็นเครื่องอยู่นเนี่ยเอามาเอาไปชาร์จแล้วก็วางตามจุดต่างๆ เ, เป็นไวเลยนะครับไม่ไม่มีสายเพราะจานพูดมาตัวเดียวมันก็ออกออกหมดแต่ว่ามันต้องเป็นคลื่นดียวกันแบบไครจะซื้อสวานเนี่ยต้องเอาคลื่นสิบเอ็ดะไรเงี้ยอย่างที่ผมเขาฝากเงินผมเอาผมก็ไปซื้อคลื่นสิบเอ็ดให้มันชนเงินแล้วก็แต่ก่อนเนี้ยยังไม่มีอย่างนี้ครับเขาก็จะมานั่งอยู่รอบเนี้ยแล้วคนที่มาถ้าเยอะหน่อยเนี่ยเขาก็จะนั่งข้างล่างแล้วก็จานเทศเสียงเบาก็จะไไม่ด้ แต่เขาก็นั่งมนั่งสมาธิไปนั่งไปเลยเงี้ยครับแต่ตอนนี้พอมีเครื่องเนี้ยลานเนี้ยเริ่มไป็มลนนะกระจายได้หมดเลยตรงนี้ขึ้นรุ่นตรงนี้ได้หมดอะไรเงี้ย ก็กลายเป็นธรรมชาติไปเรียก็ได้ยินไปได้ฟังทุกทถึงกันสมาธิทุตการควรจะเป็นอย่างเงี้ยเวลามีพระมาปาปจะได้ยินได้ไงครับอาจารย์้เจ้าจะมีเสียงทิพย์เนาะต้อเป็นผ่านใช่เสียงทิพย์คนฟังคือใช้เสียงกระแสจิตส่งเข้าไปทางจิตเลยไม่ต้องใช้เสียงปากอ๋อกพราท่านเป็นพระอรหันต์หมดใช่ไหยครับอาจารย์อ๋อไม่หรอคนที่นั่งสมาธิถ้าได้ใจสงบก็ทําเสียงทิพย์ได้ยินเสียงท แล้วคนก็มีบุญอยู่แล้วสังสมมาแล้วที่มังธรรมเพอาะที่จะฟังธรรมนี่ต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่สงบพอสมควรถ้าจิตไม่สงบฟังไม่รู้เรื่องถ้าฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่อร่อยไม่ฟังแล้วก็ไม่อยากจะฟังแต่ถ้าฟังฟังรู้เรื่องนี่มันอร่อยมันทําให้อิ่มอกอิ่มใจนะธรรมะเนี่ยลดแห่งลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงใครได้สัมผัสความอ ลถของธรรมะ่ราจะโอ้โหจะเบื่ออย่างอื่นเลยไม่อยากฟังอย่างอื่นฟังแล้วมันไร้สาร ะ, าระไม่รับเลยไม่เกิดประโยชน์จากจิตใ จ, จทำให้ใจฟุง้งซ่านเกิดความอยากเกิดความวิตกกังวลห่งอยงเชื่อมากกว่า ใช่ไหมรับข่าวสารอยู่เลยโยงอยู่บ้านนี้ใช้เวลาฟังธรรมะประมาณสิบกว่าชั่วโมงอยู่เพราะว่าขายของมีลูกค้าหรืว่าฟังไปเรืยในยูทูบนำหมดละรู้จักอยู่เลยรู้จักฟังเพราเราขายของใช่ไหมเราไม่ได้ไปไหนเราก็เปิดอินเทอร์เน็ตเล่น Facebook อยู่นั่นเฟซบุ๊กก็ก็โพสพระไตรปิดกนะคะโพสพระไตรปิฎกออกไปให้สมาชิกอยูนะคะแล้วก็ฟังธรรมะไปด้วย ถ้าเพื่อนเข้ามาก็าคุยสนทนาธรรมา ก, กันแค<ล>่เราเลาไม่อยากฟังจากอื่นนะคะไม่ออุนด้วยอยากฟังไม่อยากว่าแบบเมื่อก่อนปีที่แล้วไปอินเดียนะคะไปแต่ละที่ไปแต่ละที่ปิติขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะแลัที่เราสั่งสมเรื่องแบบนี้มามันจะเกิดความรู้สึก เรารู้เรื่องดีอะไปเจอเราเรารู้ว่าเพราะวาะที่เราต้องมีมีแบ็กกราวน์นี่ปรุงความรู้เรื่องเหล่านั้นพอไปเจิ้สิ่งเหล่านี้เหมือนอยู่ในข้างพุทธการนะคะถ้าถ้าคุณพูดมาพูดกับลูกนี่เขาก็ยังไม่อยู่ในวัยขนาดนี้เขาจะไม่เข้าใจเราอ่ะมันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปอแต่นี้แบบฟังวันหนึ่งสิบกว่าชั่วโมงมันก็ช่วงหลังฟังไปฟังมามันก็เบื่อแล้ะตรงนี้เบื่อ ก็เริ่มมาเรียนพระพิธามนะคะฟังพระพิธามสามรอบสี่รอบมันก็ทราบซึ้งไปเรื่อยๆนะคะหลังๆมามาฟังไม่มีอะไรฟังเปิดของวิสทธินักของท่านจิติมุฒโธนี่นหะค่ะนี่ค่ะอะไรนั่นอยู่ใกล้ๆนี่นะอะไรนจิตตภพวันที่จิตตภพวันนะะอยาไปทาบุญด้วจิตตะวันเนี่ยพอดีจิตตภาวันนี่ตอนนี้เขาไปิึ้งกไทย ธรรเป็นลูกโมของธรรมกายนะคะอ๋อเหรอครับตอนนี้เหรอเดี๋ยวสอนดีสอนดีเราก็รับแต่ส่วนดีคือคือใช่หมดเลยแต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาจะไปตอนที่เขาไปขึ้นจะทางโน้นเหรไม่ไม่ได้ไปขึ้นค่ะจริงๆท่านกิติวุโธนี่ก็เป็นลูกโมของธรรมกายแต่ว่าไม่ได้ไปทางนั้นแต่สอนพระพิธามก็ใช่อมที่ใส่บ้านะคพื่เสียกันนะเราเหรครับเสียไปนานแล้วค่ะอันนี้ยังฟังทํามของเพื่อนเมื่อ20 30ปีอยู่นะคะที่โรงเียนพุทธคุณโรงเป็นเด็ดนะคะ สอนดีท่านจะท่านจะไปเน้นทางช่วยเหลือเด็กยากจนไม่มีการศึกษาก็อามาบวชในแล้วก็มาสอนทั้งธรรมะแล้วก็สอน อ, อ, อาชีวะอาชีพวิชาชีพช หนวันเนี่ยเนรจะซ่อมรถเป็นทำอะไรเป็นช่วยคนให้มีอาชีพไงเป็นยังบอกว่าถ้าใครบริจาคให้พี่ดีไม่สร้างวั้ไม่เอาสร้างคนดีกว่าสร้างคนสร้างพระให้เคยแค่ดีกว่าไม่ใช่ก็ใช่การนี้เราต้องปฏิบัติละเราฟังมาเยอะละก็ก็ ก็ฝึกปฏิบัติมีศาสนาแต่สมาธิคงไม่เคยสั่งสมมาเลยค่ะเนพราะลองหลายรอบแล้วลงแม้กระทั่งของท่านกิติุโธสอนก็ไม่แล้วเอาดูรูปดูนามมากกว่าค่ะฝปิดูรูปดูนามมากกว่าเอาก่อนจะดูรูปดูนามได้ต้องให้มันก่อนก็ค่ะก็ฟังฟังให้เข้าใจก่อนนะคะแ้อยปฏิบัติต้องเอาพุทโธก่อนตอนนี้ก็สอน พี่น้องลูกหลานไปก่อ น, นปัญญาบุตรก็จะปึกทางใช้ปัญญามากกว่าใช้ปัญญามากกว่าไปทางปัญญาภาษาญี่ปุตนมากกว่าถ้าเป็นปัญญาจริงแบบนี้มันบรรลุได้นะถ้าก็ต้องเริ่มใหม่เรื่อยๆแล้วค่ะก็สะสมไปเรื่อยๆจนกว่าตอนนี้ก็คือตอนนั้นนะคะอีกหลายแสนชาติเพราะว่ามันไม่ทำทาง ขั้นสมาธิต่อนเนี่ยมันไปข้ามขั้นต้งนงฝเรียนมาผิดแต่เขาเป็นในใช่ใ<อ>ารสอนเาจะสอนภาษ<อ>าจนะคะตองสอนแน่นด้วยภาษาด้วยถ้าไม่ถ้าไม่มีสมาธิปัญญาสมาธิด้วยเหรอคะ <S <S ปัญญามันจะไม่เกิดไม่เอาสมาธิมาเป็นบาฐานพี่เ น, น, นะคะปัญญามันเป็นความจําำใช่มากกว่าจําได้แต่ฆ่ากิเลสไม่ได้ปัญญานี่เป้าหมายของปัญญาก็คือหยุดความอยาก ถ้าเราคิดว่าเรามีปัญญาแต่เราหยุดความอยากไม่ได้มันก็ไม่ใช่เป็นปัญญาเราต้องหยุดดูหยุดฟังไม่อยากดูอยากฟังไม่อยากกินไม่อยากดื่มต้องอยากจะอยู่เฉยๆเงียบๆอย่างเงี้ยถึงจะถึงจะเรียกว่าได้ปัญญาเพราะถ้ามีปัญญาแต่ก็ยังหยุดความอยากไม่ได้มันก็ไม่มไมใช่เป็นปัญญาแท้เป็นปัญญาเทียม ปัญญาเทียมก็คือปัญญาที่ได้จากการฟังปัญญาที่เกิดจากความคิดยังไม่มีกําลังพอที่จะหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากหลังจากได้สมาธิแล้วท่านมีสมาธิแล้วเนี่ยถ้าพอคิดทางปัญญานี้มันจะตัดได้คิดว่านี่เป็นทุกข์ก็ตัดได้คิดว่านี่ไม่เที่ยงก็ตัดได้ คือว่านี่ไม่ใช่ของเราก็ตัดได้แต่ตอนนี้ยังตัดไม่ได้ยังห่วงลูกอยู่ใช่ไหมโตไม่เท่าไหร่เออไม่เท่าไหร่เพราว่าเด็กพวกนี้เขาก็ไม่เคยสร้างปัญหาการเล็กๆแล้วค่ะง่ายๆเลยแทบจะไม่เลยออไม่ได้ห่วงยิ่งเดี๋ยวนี้เขาอยู่กันตอนทยาสองคนนี้หมายถึงว่าตัดออกไปเลยจากความเป็นลูกเพราว่าเขานอนกลางคืนไงเขานอนกลางคืนไงครับเวลาแม่ทํางานกลางวันเขาทางานกลางคืน ถ้าเขาจะนอนเพราะว่าโทรหาแม่แบบนี้ได้คุยกันตอนนี้ถ้าสมมติว่าเขากําลังจะนอนก็ไม่กล้าโทรหาเขาให้ลูกนอนมากกว่านอนเหมือนรอตัวนอดัวนอดเหมือนนอดถ้ามีปัญญามันต่างยากมันจะไม่ยึดกังวลไม่ไม่ห่วงไงไม่ผูกพันทั้ไแต่ ไม่เราพูดตามทางทามากไงเราไมต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ก็เม้ใจาทาแต่ดูแลกันอยู่เลี้ยงดดูแลกันอยู่พองยายกันอยู่แต่ไม่ทุกแต่ไม่ทุกไม่ทุกกันไงไม่ไม่วิตกกันวลว่าเ้าเป็นอะไรไปหรือเปล่าก็มีคนเดียวบอฟันคนสุดทสาวชายสคนาทำวันนี้คนโตเยคนโตค่ะคนหลังคนสอง พี่ชายทอะไรหมอฟันอยู่ค่ะพี่ชคนที่สองคุณทำอะไรอยู่กับพี่ชายมันบวิวะโวิวะเป็นยาเป็นยาช่วยกายก็เหมือนกันวิสวะนี่ทาได้ทุกอย่างวิศวะนี่ใช้เหตุผลทางานชนิดไหนก็ใโตเคนต่ไปก็ไปเปิดร่างตัวเองยังไม่มีครอบครัวกันนะยัง ใชครับสภาวะของจิตมันเป็นอย่างนี้ว่าอาจารย์ว่าจิตจิตอ่าอย่างเราเปิด facebook เนี่ยมันก็จะมีเรื่องไม่ดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใส่ร้ายก็อื่นหรือเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ดูนะอาจารย์แต่เราดูแต่เวลาดูเนี่ยสภาวะจิตมันจะไปอย่างเนี้ยมันจะเอ๊ะไม่ไม่กระเต้นขึ้นไม่ลงไม่ขึ้นไม่ลงแต่มันจะเหมือนดูกลางๆครับมันมันจะนิ่งเลยนะอาจารย์มันจะแบบยังนิ่งนิ่งรัชีวิตทุกวันเนี่ยครับเหมือนว่า ก็ทําไปอ่ะแต่มันจะแบบมันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรแรงๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีแข่งบ้างแต่ว่าปกติมันจะจิตมันจะนิ่งมันจะไปอย่างเงี้ยมันจะไปเรื่อยไม่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยไปเรื่อยแต่ดีนะมีจิตนิ่งแต่แล้ววุ่นกุศลเนี่ยทำให้จิตเราคือแล้วก็อย่างอย่างเฟซบุ๊กเนี่ยบางคนเนี่ยในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางคนก็ว่าโอ้ยอย่าไปสนใจข่าวสารอะไรมากเลยแต่ผมกลับคิดว่าแค่พวกเนี้ยคือตัวฝึกเรา ลองไปดูแล้วสังเกตจิตเราอะถ้าดูแล้วเราแกล้งตามตามมาอะไรเงี้ยมันก็แต่ตอนนี้ผมนั่งดูมันก็ไปอย่างนี้ครับอาจารย์ออแล้วถ้าไปอย่างนี้เรื่อยๆมันต้องัตนาอะไรต่อไปอะครับอาจารย์ก็มันต้องมีเหตุการณ์ที่มันทาให้เราแกว่งแล้วเราต้องแก้มนันเช่น จะใครด่าเจริงจงยังจังอ๋อต้องให้คนมาด่าเราจริงจังด้วยต้องลองรู้ว่ามันจะแขวนบ้างหรือเปล่าอย่าเขาเก่าเนี่ยคนกำลังจะมาหาจะไม่มีอะไรมาทันผลประโยชน์จากการทำมาอย่างนี้อ๋ออ๋อก็เคยดนมาบ้างก็มีนิดหน่อยครับเพรยะวาไมเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราว่าเรื่องของเขาไป เราต้องเราต้องไม่ไปแก้ที่เขาแล้วต้แก้ที่เราแต่แต่ผมจะจําคําพระอาจารย์อย่างนะใครคิดอะรก็เรื่องของเขาเลยผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าเราเราเหตไม่ได้เราเหตุดีแต่เขามาไม่ดีผมลบทิ้งเลยผมไม่สนใจแล้วมันก็เรื่องของเขาเรื่องของเขาเราดูที่เราดีกว่าเราดูที่เราไม่ต้องไปดูที่คนอื่นแต่แต่ตอนนี้ผมกําลังสงสัยอยู่ไอ้สภาวะจิตที่มันนิ่งอยู่อย่างงี้ครับอาจารย์ว่ามันว่ามันเป็นปกติหรือว่าเราจะต้องตาเราจต้องไป คือมันมีไปต่อแต่เรามันไม่ไปไปต่อแล้วก็คือเราต้องตัดของต่างๆที่เรามีอยู่อาศัยเป็นเครื่องให้ความสุขสบายทำงานจะไปอยู่แบบเป็นพระได้อย่างงี้คือต้องจัดลูกเสียงกลิ่นรถไม่มีทีวีดูไม่มีสถานีวิทยุอะไรคืองานค่องข้างนอกทัุงอย่างนี่จะไม่เอาหมดเลยตัดทายนอกก่อนตัดท้นอกก่ับสิ่งที่มากระทบ ก็เหมือนตอนที่คุณไปบวนชน่ะครับตอนนั้นน่ะคุณไปตัดตอนนั้นเ่นเป็นการทดสอบจิตใจว่าคุณอยู่อย่างงั้นแล้วมีความสุขได้<ม>นรือเปถ้าคุณอยู่อย่างนั้นแล้วไม่มีความเสียก็สแสดงว่าคุณยังติดสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เพราะคนที่มีความทุกข์อย่างตัวผมนะครับไม่ตอนนี้ไม่ได้มีความทุกข์ครับอาจารย์แต่ว่าถ้าคนที่มีความทุกข์เนี่ยถ้าเกิดเขารู้จักไอ้พวกตัวทุกข์นั้นทั้งหลายแหลอยู่กับมันได้มันไม่มีปัญหาเลยครับอาจารย์แบบว่า มันยังไม่เกิดเลสิมันยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดตอนนี้มันก็พูดได้มันไม่มีอะไรมากระทบอถ้ามันมีมากระทบมันต้งเกิดมันต้งกระเพื่ออมันถึงจะรู้ว่าอมันรุนแรงเวลามันเกิดจริงๆมันรุนแรงเวลาที่อะไรมามามาที่ต่อมครับความรู้สึกของเราเนี่ยมัความรู้สึกมันจะพุ่งออกมาเลยทุกคนก็ทําไม่ได้หรอกนอกจากพระอรหันต์ จัดได้หมดคือสมมติเราไปเจอเหตุการ์มีโจรขโมยขึ้นมาบุกเข้ามาบ้านในบ้านเอาปืนมาจี่เราไม่แม่ไม่แม่ต่อยแน่แน่แน่นอนเรายังไม่ถึงขั้นหมดตัดได้ยังไงนะใช่เอาเแค่เอาแค่ว่าอย่างนี้ก็ได้ถ้าสมมติว่าคนอื่นมาด่าเราถ้าเราไม่กระเพื่อมเลย เราเราไม่กระเพื่อมไม่โขดตอบนี่ก็ก็ยังได้ระดับหนึ่งละหรือวระดับหนึ่งละเพนเดอนนี้ถ้าเป็นเหตุการณ์ลักษณะนี้จะใช้อย่างที่อาจารย์สอนอยู่บ่อยๆแล้วว่าให้ยกระดับจิตนี้เขาไม่ได้มาเตะเราไม่ได้มาท่าเราไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไปเขาไปใด้คาด่าเราไม่รับก็แค่นั้นจบกันจบแล่คือเราต้องเนี่ยเสียสินแตกทั้งวันหนึ่งวันนอาทิตย์หนึ่งเนี่แหละเป็นการเลื่อนระดับของของการต่อสู้ ศีลห้านี่มันเป็นแบบว่าเป็นระดับหนึ่งถ้าศีลแปดนี่มันสูงขึ้นเพราะมันต้องมันต้องหยุดหลายอย่างทําหลายอย่างไม่ได้ย้ก็คือศีลแปดอยู่นะคะถ้าช่วงเข้าพรรษานี่จะถือหมดทั้งสามเดือนเลยปกติจะแค่วันเดียววันอุโบสถอย่างนี้อุโบสถแต่นี้เลื่อนมาก่อนแล้วก็หน้าอีกรับมาก่อนแล้วก็วันอรับประเสริฐแล้วก็เพิ่มระดับใช่ไหม อยู่ถือศีนห้ากับถือศนลแาอันไหนมันยากกว่ากันไม่ไม่ค่อยศีล้าครั่คอยได้เท่าไหร่ยู่่็มาถือสิลแปดเลยนียพววก่าวกไมมาทัหลานได้นอันนี้ก็ไม่เหมือนกันก็อันี้ไปวัดอะไรนะหรือเนตา ตรงตรงนี้แะค่ะตรงบางเสรีนะควัดวัดทรงเมตตาค่ะวัดทเมตตาจะไปวันพะนะครับมีคนไปอยู่จำสีงกันเยอะมีคนไปอยู่จำสิเพอะเาก็ไปมีบาตใช้ใช้บ้างเธินเนี่ยเะสดมากเธเองก็จะัสมาธิจะไงใตนที้จะังสมาสมาธิ่ดีกว่าก็ก็ไปได้หลายลยาชอบอที่จะสมาธิ ก็จะมาที่ใจสงบเย็นก็เป็นก็ได้ก็ได้ค่ะแต่สูญเสียแฟนันก็ไม่รู้สึกก็เฉยเฉยค่ะช่วงที่เขาป่วยเขาเขาตั้งทุกวันนะพอแฟนเสียบอกทค่ที่เขียนไม่ช่หมเดี๋ยวจะหาใหม่ละเปล่าค่ะไม่มีหดเลยจะหกสกันแล้วค่ะแต่ก็เฉยๆนะคะเพราะตอทำงานตอนที่ป่วยจะดูแลคนเดียวไงคะก็ปกติ จะไม่คิดอะไรมากแต่เฉยๆอขอให้ขอให้ทำไปเรื่อยๆแต่ตัวเองก็จะมี เ, เวลาหน้าสมาธิท่าีบอกเหตุแล้วก็คอยสอนใจเรื่อยๆว่าทุกอย่างไม่เที่ยงที่อย่างเป็นทุกข์ถ้าจะยึดตุจะถูกมันไม่ติดทุกอย่างไม่ใช่ของเรากรณีเขาบอกว่า ไอ้นี่ไม่คิดอะไรเลยเขาบอกว่าอะไรสมรรถะคือเขาไม่เข้ากัดได้ทักอย่างแต่นี่ยังเป็นคนบาปอีกทีียังยังมียังมีสังคมมีสมาคมอะไรอยู่นแต่ว่าก็ก็ตัดหลายเรื่องเหมือนกันนะยิงเรื่องลูกนี่ก็ตัดแล้วแต่นี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เ้าโตกบดนะคะหนุมากแล้วมันทุกข์ใช่ไหมทุกข์แล้วไปถูกพันเขาเอง ก็ไปยึดติดอะไรปึ๊บทุกทันทีเลยรู้เลยว่าทุกเลยแต่ ว, ว่ามีแต่ลูกโทรหาแม่ <laughs> แม่ไม่ค่อยได้โทรหาต <laughs> ัวเท่าไหร่มีลูกกี่คน สองค่ะทำงานกันหมด่ทสนี่2อันนี้ลูกชาย3อันนี้ลูกชาย3มอันี้เ้าเป็สลับอันนี้ลูกชายที่น้องนคนผู้หญิงอง่ะยังเหลืออยู่ปี3กับปีสี่ผู้หญิงส่่ะลูกชายจบกสถาปัตย์จบไปแล้วแต่วงววดววดแล้วนี้เหลือปี3กับปีสีลกเป็นยังไงววอคนคก็ปีปีก็จบหมดแล้ดีลูกหลาน ไปเกเกันอาจารย์ <con hate> ครับขอบวชนี่ต้องไปขอที่กรุงเทพเหรอครับที่ไหนนะครับอาจารย์ผู้ชายเลยผู้ชายต้้งล่างมีกุฏิมีท่าท่านรับเรื่องบวชรับได้ได้รับได้ไปสมัครได้ที่นี่เขาจะนิมนต์อุปราชจากมุงชนเะอบคณจังหวัดตอนอาจาย์บอกว่าต้องไปต่อที่กรุงเทพเพืนี่ว่าอ๋อไม่เฉพาะบางบางบางรายอ๋อบางรายนะครับ ถ้าีบติดต่อข้างล่างได้เลยใช่ครับ้ถ้าเป็นพาต่างประเทศที่นี่เขาจะไม่บวชให้อ๋อครับเดี๋ยวพรเดี๋ยวมันเนี่ยต้องไปติดต่อที่วัด น, นามก้าวอ๋อถ้าเป็นพระ่างชาติ อ, อ, อ๋อครับพสงชาติพะที่นี่ก็บอกว่าเขาคุยภาษาไม่รู้เรื่องบุบชาติขอบาทจะโกนหัวยใช้จะโยนจองโกนหัว ถ้าต้องการก็ไปติดต่อที่กุฏิเบอร์สีได้เขาเขายังไม่ได้บวชเนี่ยมาทำงานช่วยพี่ชายก่อนเนี่ยเดี๋ยวคนนี้หาวัดที้บวชอยู่เด็กอยู่ที่มีบวชบวชก็เป็นวัดสฏิบัติ่านต้องฉันในบาทฉันมือเดียวฉันมือเดียวออกบินทะบาทเตือนเช้าตีสี่ลงโบสถ์ไห้พระสวนมนต์ถึงถึงตีห้าครึ่งก็เตรียมตัวบินทะบาท แล้วก็ฉันมือเดียวฉันให้บาทฉันที่ศาลาฉันเสร็จก็กลับปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกมตอนบ่ายก็กวาดลานว่ดเดินน้ำปานะอากน้ำแล้วก็ลงโบสตอนหกโบงเยน็นถึงประมาณทุ่มขึ้นกลับสู่ที่พักหน้าที่ของพราในวันนี้มีอย่างนี้ ถ้าอยากจะปีกหรืเว้ขึ้นมาก็มีแค่มีอะไรก็ขึ้นมาดั้งสมาธิแบบนี้ก็ได้ถ้าข้างล่างมันไม่สงบกอเพราะข้างล่างมันเป็นเป็นมีรถราวิ่งผ่านกลางวัดแต่ตอนคืนมันก็จะเงียบไม่ค่อยมีาัพักคนบนนั้นไม่ไรนี่ยังไ ม, ไม่ไม่ต้องขึ้นมาที่เราข้างล่างนี้ก่อนอ มีรถมารับไปดินระบตางบาเดินทไปบางเลยไปบ้านลำเทิงไปสตีหีบเช้าๆลงมาเดินสี่บนาทีลงไปข้างเพื่อ่ไปไปกบาวันนี้เนเพราะว่าไม่มีรถมาัแต่ทนก็ชอบเดินเมากว่าเ่านี่ยเจริญสติเงเลยนั่นเ้วอว่าถ้าจะมาบวชก็ไปติดต่อเขาส่วนเรื่องที่พรคก็บอกเขาว่า เราจะจัดให้ก็ได้เนีายเรามีกคุติอยู่ส่วนหนึงที่เราเป็นคนดูแ ล, ลอยู่แต่เวลาไปติดต่อเขาอย่าไปอ้างชื่อเราเน <c oughs> ี่ยเขาหาไปแบ่งถ้าหนึ่งว่าโดนเพราะเราไม่เราไม่ใหญ่จริงเพาะใชชื่อเรานี่กับ กัถูกเด้งนะเห <c oughs> มือนเช็คเด้งเลยนะหมอเนะี่เครดิตไม่ดีชื่อเราเนี่เครดิตไม่ดีอยากอยากจะใช้ชื่อเรา <c oughs> แต่ถ้าเขาบอกไม่มีกุติอย่าเงี้ยกุติแต่บอกออพอาจารย์สุชาติท่านท่านมีท่านจะจัดให้ <c oughs> แต่ถ้าเขาถ้าเขาไม่พูดอะไรเราก็ไม่ต้องบอกท่านก็นได้เวลาจะมาอยู่ค่อยมาค่อยมาบอกว่ า, าได้กุติแล้ว <c oughs> <c oughs> ที่นี้เขาก็มีบวชทุกเดือนเลยเขาจะให้จัดบวชเป็นเป็นหมู่เขาจะมีวันที่กําหนดวันเดือนนี้วันวันที่เท่าไหร่แค่นี้เดือนนี้เข้าพรรษาเขากาหนดได้สองวันวันที่หกที่ผ่านมาแล้วอีกวันก็สิบสามก่อนจะมาบวชก็ต้องมาอยู่วัดประมาณสักอาทิตย์หนึ่งมาซ้อมมานุ่งขาวห่มขาวมาทดสอบดูก่อนว่าจะเอาไหมทาแบบนี้ได้ไหรือเปล่า บางทีถ้าทำไม่ได้ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเงินสียทองไปไปบวชบางทีจัดงานกันถ้าอย่างดีบวชได้วันเดียวก็เสร็จเลยยังค่มาลองมาชิมก่อน ขีมรถเดือดต่างจังหวัดครับอาจารย์งานัำการบ้าหมดาทิตหนึ่งสามวันโลบวชงานร้การพางเลยร้อยโต๊ะสองร้อยโต๊ะบะอันนั้นเขาบวชรำหน้าไงถ้าเป็นเรื่องเรื่องประเพณีจริงบวชเหมือนสมัยครังพุทธเจ้าเนาะจะไปสบายได้ของจะแทตอนที่เราบวชนี่มีคนไปงานบวชเราสามคนนั่งเราไม่ได้จัดงานไม่ได้จัดอะไรไม่ได้บอกใคร มีแต่พ่อแม่กับญาติคนหนึ่งชอบแบบนั้นละค่ชอบเนครั้งผู้จัดการเลยอ่านเาครัเส็นมากกว่าครั้งีวอันนี้มันเป็นกิเลสมากกว่าอันนี้บวชกันจัดงานใหญ่โตเวลาเสร็จนี้ไม่มีใครมาเสด็จแเงียๆแอยู่ไม่ได้สาะอกบวชให้พ่อแม่ตามพ่อแม่เฉยๆลูกาก็ตบวชแล้วเห หวดหมบวชทุกคนคะที่ไหนวดที่วัดเขาสนามชัยที่บวชอินอของอแน่แออคุณแม่แนบเลยครัอาจารย์่ก็มีวัดตรงนี้ไม่นมีสำนักปฏิบัติตรงนี้วัดบุญกัญญาลาวนี่ก็ของอาจารย์าแน่ใช่ไแกเสียไปแล้วนี่ใช่ไหมเสียไปแล้วค่ะคุณแม่ปานีนี่ก็เป็นศิษย์เอกของของบุญแม่อาจารย์แม่นะคะ ยังอยู่ตอนนี้ก็เก้าสิบกว่าแล้วนะคะซึองฉันบกว่าเกิดไปคยไปไหมที่ที่ข้างหลังเนี่ยอ๋อแต่ส่วนปริประรรไม่เคยเคยไปแต่ฝ่ายทางการได้ยินว่าที่ข้างหลังก็เป็นของคุณแม่เนี่ยแต่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยมีแนวทางแล้วอาจารย์เพราะว่ามีพระที่รู้จักกันเองอยู่ในนั้นอาจารย์มันนี้ก็แหละอืมบอกว่าเดี๋ยวนี้ ในปฏิบัติกันนะในปฏิบัติแล้วก็บางทีท่านได้ยินเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวไม่ไม่เอาเลงอ่ะมือท่านบอกว่าบางทีพระกลับมาปฏิบัติแตมามาคุยกันวันนี้ได้กี่บาทได้กี่บาทได้กี่บาทแล้วไม่ต้องอะไรมากครับพระอาจารย์พระองค์หนึงที่อยู่กุฏิหน้าเนี่ยบวชกันครับก็คือได้เงินพอ บ, บวชหยุดพักหนึ่นเนี่ยสึกออกไปเอาเงินไปอยู่ผู้หญิง <c oughs> แล้วตอนนี้กลับเข้ามาอีกแล้วได้ข่าวว่าวไม่ได้บวชเข้ามาด้วยวเออ ก็เลยหอแต่ละอย่างเร็นเย็นนุ่มเข้นแบบนี้แหละมันก็มีตั้งแต่ครั้งพุทธการนะครพระอาจารย์ไม่ใช่เรื่องแต่ตอนนี้เรื่องถวายเงินพระเนี่ยเป็นตัวปัญหาจริงๆเลถ้าญาติโยมทุกคนศึกสาว่าไม่ต้องถวายเงินเนี่มันจะมันจะช่วยตัดปัญหาได้เยอะแต่ว่าคนเขาไม่รู้ไงคะเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องของเรื่องก็เลยทาให้พระทั้งอาบัติุกพระควรทำบาสด้วยถวายเงินได้แต่ต้องต้องถวายให้กับวัดไปอย่าไปถวายให้กับ เราคิดในังเห็นมีมีใจ้ที่ได้ยินอย่างนี้เพราะว่ากำลังคิดจะไปตรงนั้นหล้ที่ฉันชวนเธอตอนนี้จะมีอยู่สองที่นู่นจะมีอยู่สองที่เขจะเขียนว่าโอเคอยู่าทางนี้ที่แล้วเราเนี่มันมันมีเหมือนตั้งแต่ครั้งพุทธการเหมือนกันเดียวมิเต้เลยเหมือนกันท่านคนเข้าใจก็ไม่มีปัญหาค่ะเหมือนกันหมดทั้งพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่เลยเไปาะว่าที่มีเหมือนกันหมนี้ไน่งมาากเขาไปหาพระอาจารย์มานิด ตรงแยกก่อนถึงรถตัมันมีสองที่นะมันจะมีแบบแบบเป็นกุติอ่ะกุติใครกุติกุสถาปฏิัติรรมตงนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะก็สักพักนิดหนึ่งเข้าไปเข้าไปแล้วนั่นแหละว่าจะไปแ้มีเหตุเต้ว่าฌาิสจะได้ย้อนยั มันก็มีหมดอย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้มั่วเสวะเข้าไปออกมามีนางดีไม่ดีมันอยู่ที่เจ้าวาดพ่ะเจ้าวาเข้มงวดกดขันก็ดีอย่างว่าช่องลมเนี่ยเห็นไหเขาดีเพราะว่ามีเจ้าวาขบดีตั้งแต่หลวงพ่อโบเกตท่านอยู่นี่ท่านคคุมท่านเข้มแล้วที่นี้หลวงพ่อไม่อยู่้วยสงสายปีขปฏิบัติกันแต่ว่าช่องลมเห็นเห็นนายกนายกคนก่อนนะคะชอบใเป็นแดงใช่ ไปวัดนั้นเจอพอดีเลยแรงเขาก็ิคร็จวัดช่วงมนี้คนส่วนคนแถวนี้เขาจะรู้จักกันดีวันนั้นไปทาศาลกันก็อันนี้ก็มีคอนโดอยู่ัตยามจะมาบ่อยไม่เยี่ยมั้นไงไม่ต่ดูคนละคนละคอนโดพจะขายของยู ขายพวกอาหารเสริมอยู่ตรงตึกคอมนะคะอขายพวกยาโเจิงอะไรพวกนี้อตอนนี้ย้ายไปแล้วคตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วอยู่ทพ่ไปอยู่กับลูกค่ะตอนนี้ไม่มีใครดู่เลเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายของนะเนื้อที่ขายแต่ตอนนี้ขายตามออนไลน์ใครสั่งก็เอามาส่งทันสมัยนะมองเป็นเจเจนี่เน้นออนไลน์กันหมดแล้ ต อ, ตอนนี้ Facebook ของบาอาจารย์กัแบเบว็บไซต์ส่วนใหญ่จะเป็นปากก่ า, ปากับป่าเรื่อยๆครับอาจารย์ <c oughs> เพราะว่าเราจะไม่สนใจเราไม่เอาปริมาณเนี่ยคือ <c oughs> คุณสนใจจริงๆก็เข้ามาเองแล้วกัน <c oughs> เราไม่ไปโฆษณาเ <c oughs> ป่าให้ใครอ้ยมาช่วยันฟังหน่อยไม่ใช่ถ้าเขาเขาเขารับได้ก็ให้มาเองดีกว่าแต่คนก็มาเรื่อยๆครับอาจารย์เลยอันนี้ คือจริงๆของเหล่านี้เขาก็มาตามสายบุญครับใช่แล้วแต่ตามสายบุญที่เคยทำร่วมกันบางคนมาแล้วทำคนเดียวก็ไม่ไม่ก็มีเพราะมันไม่ถูกเจริญครับบางคนครับบางคนก็ชอบปฏิหารก็ชอบไมด้ทั่วไปก็ชอบปฏิหารนี่ฮะมาฟังอย่างนี้เขาก็ไม่นี่นี่นี่คือวัตถุมงคลที่แจกมานักศึกษาจำมาเจ้าพระเพิ่งไม่มีก็มีพระองค์หนึ่งไงแบบ ตอนแรกไม่รู้แต่เราเห็นเทศดีไงก็เลยเป็นเพื่อนก็เลยเข้ามาตลอดวราแชร์ของท่านไปตลอดตอนหลังนี่จะรู้เป็นท่านท่านจะใช้ทีมงานครับอาจารย์แล้วทีมงานเนี่ยก็จะไปเอาเรื่องต่างๆที่มันทําให้คนสะเทือนใจสมมุติว่าอคนเนี้ยคนเนี้ยอ่าเด็กคนเนี้ยกำพาพ่อแม่หรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าอะไรหรือว้าดูแลพ่อแม่ดิหรือเรื่องอะไรที่มันทําให้คนอันนี้เยอะเอามา โพสในนามของพระรูปนี้คนก็จะเข้ามาชอบเยอะๆๆๆๆๆกันโดยโดยที่จริงๆแล้วบางทีท่านไม่ได้มาแด้วยซ้าอะไรเงี้ยครับพี่ก็ไม่รู้เพราะพี่ก็แชร์ต่อตลอดแชร์ตลอดมเลิแชร์เลยครับเลิกแชร์ก่เลแล้วเพื่อนก็แชร์กันใหญ่เลยจริงถ้ามองทางธรรมเนี่ยยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็แสดงว่ายิ่งยิ่งยิ่งไม่ได้เรื่องค่ะอรเงี้ย แต่ไหมบางทีไอ้คนเต้นรำกระโดดก๊เก๊กนี่คนจะเข้าไปดูเป็นล้านเรื่องธรรมดาการทำใ่ถ้าถ้าทางทำน่มันต้องน้อยถึงว่าเออเนี่ยทำแท้ทำน้อยดีถ้ามากนี้ไม่ใช่ทำแท้แล้วแล้วะอันนี้ครับเพจนี่ยครับอาจารย์ก็มีเรื่องดื้อฉาหรือเรื่องนึงคือ ใครกดไลค์มากมากมากอ่ะแล้วเดี๋ยวจะมีแจกว่าพุรูกโอ้โหตอนที่เราเป็นเพือนอยู่พระอาจารย์เห็นอยู่ใช่ไหมครับแจกวัตพุรูปฟองคำหลักล้านเลยอย้โอ้หละใช้จับฉลากเอาี่หมดแหละเดี๋ยวนี้ดาวราพมีหมดมีเยอะจริงๆวัตอันี้เขาเลยทำเการตลาดทำนการตลาดต้องการที่จะโปรโมทเว็บของตนเองให้เห็นว่าโอ้โหมีคน ล้านถ้าคนกดชอบเป็นล้านเลยของอาจารย์ที่ตอนนี้พันสามแล้วอาจารย์พิจิตรนะครับนี่เป็นย้ะมันมากกว่านี้ดียิ่งมามันยิ่งหมายกัาว่าปริมาณมากขึ้นคุณภาพมันก็น้อยลงเลย็คนาัคนเริ่มเหอตาม กันแอนเป็นเพื่อนยังบอกอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนภัสยาลืมกดไลค์ให้ด้วยเยอะพอเยอะมากเลยเหมือนคล้ายๆเล่นติดเฟซบุ o กได้นภัสย์ติดเต็มเยอะมากรู้เลยแล้วก็มีใน facebook มันก็มีวิธีง่ายว่าอาจารย์สมมติว่าหลวงปู่เนนอย่างเงี้ยครับเขาก็จะไปเขียนชื่ออื่ที่ใกล้เคียงกันหลวงปู่เนน คำหมาอะไรเงี้ยเพรเวลาคนเสิร์ชหาเจอก็จะติดเขาด้วยผมก็เลยแล้วมาเข้าไปก็กลายกันพระวัยรุ่นมีเคี้อวหมาปากแดงเลยอเรียนเบบอลไหนอย่างครับหมเยมากแดีนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรของเรานี่เราพุ่งไปที่การเผยแพร่ธรรมะทันดีส่วนจะมีปริมาณมากน้อยชอบไม่ชอบนี่ไม่เป็นปัญหาเลย บทีเราก็ไม่ได้คิดจะทําเนี่ยอยู่ดีคุณปาเขาก็มาทําให้ก็ทําไปาลูกศิษย์บางคนเขาก็หามากล่ามาไม่ไม่พอใจกับเรานะเนี่ยเพราะวอาจารย์กาลังจะปลดตัวเองเลยพอแล้วป่าเราเป้าหมายของเราไม่ต้องการให้ใครมีลูกศิษย์มาไม่พอใจพระอาจารย์ด้วครับมีคนหนึ่งก็เป็นชาวอินเดียอ๋อนนั้นที่ว่าแล้ยนอเพราะว่าแล้วแล้วพอดีบางทีเข้าไป ใช้ไอตัว Google แปลภาษาจากไทยมาเป็นอังกฤษแล้วบางทีคุณต่อก็ไปใส่เรื่องราคาของเรื่องซื้อของนี่ราคาเท่าไหร่เขาเลยที่ว่าเขาเลยคิดว่ากําลังจะขายของกันนี่กำลังแล้วตอนที่คนเข้ามามาถามว่าจะบริจาคเงินได้ยังไงเราก็บอกว่าไม่ต้องบริจาคให้เอาไปทำโรงพยาบาลท่านนึกว่าขอรับเอก็คิดว่าเราแพงออกมามันก็เลยไม่ตรงก็เลยใช่ใช่คาไทยเขาเข้าใจหมดแล้วว่าเราไม่รับบริจ ก็ไม่รับเราไม่รับบริจาคใดๆต้งสิ้นเราไม่เอาเลยอะไรเงี้ยที่ที่รับมาเนี่ยส่ยวนใหญ่จะเจอกระตัวเนี่ยเจอผมนี่เอาฝากซื้อนโค้กใบฟ้าอะไรเ น, เนี่ยเงินะอะไรผมไม่เอาท่านก็เลยคิดว่าเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่ควรทําทำเฟสเฟบลูกเพราะว่าเป็นการเหมือนกับเป็นเหมือนดาราค่ะส่วนมากก็มีแต่ลูกศิษย์ทําแบบนี้ให้พระแต่ก็การเผยแพร่นะเพราะว่าถ้าทำเนี่ยแล้วมันมีการวัตถุมงคลแจกมีเช่าของ มีเรื่องการยืนมาเกี่ยวแล้วเปื่อจากตนงพรอาจารย์ไม่เาแล้วแต่ไม่มีอะไรมีแต่ธรรมะอย่างเดียวล้วนแล้วก็ไม่รับเทั้งสิ้นใครใครก็ไม่รับเฟซบมันดีก่บทำเว็บไซต์เพราะมันเร็วมากแล้วมันช่วยกันกระจายก็คือได้ตอนนี้เลยถ้าตอนนี้มีมือถือโดดมันขึ้นไปตอนนี้ได้ใช่ครับใช่ไหมแล้วคนก็เขาก็ชพงช่วยมองยังคนดูเป็นรอยละของของผู้ใจรานี่มันเป็นพันแล้วนะพันกว่าครับอรย์ครับ ของเราเนี่ยในรายการเดี๋ยวนคนดูเห็นโพสต์นี่เป็นพันขึ้นไปแล้วก็ในยู u ูบเนี่ยเขาก็สามารถติดตามเราได้อีกถตาว่ามีอะไรใหม่มาบางทียังเขาจะเขาจะส่งข่าวก็บางทียังไม่ทำลง Facebook หรือไม่คล้ายเลยเขารู้จัก u t u b e ก่อนคำาก็ตามอยู่ได้เลยคือมันสะดวก YouTube นี่แหละไวมากไวเมื่อก่อนเราทำลิงก์ทำลิงก์เอง ทีนี้เราลิงเข้าไปที่ของคุณเลยดีกว่าอาจารย์ทจได้ทำอินเทอร์เน็ตเองเราเว็บไซต์เองนะครับที่ที่กรรมวัฒนาครับกรรมวัฒน์ .com ทำกรรมวัฒน .com กรรมวัน m พราะเนี่ยประานคิดาสตรในหนังสือก็มีเขียนอยู่กรรมวัฒนาในกรรมวัฒนากรรมวัฒนกเราลองในในนั้นก็มีเขียนอยู่มีไหมมีใช่ไหมมีครับนี่อาจารย์านทำเองคนก็ได้รู้หรอกอาจารย์ทำเอง เราทำมาตั้งสิบกว่าปีแล้วมั้แต่วแดดเอ็นเตเดเตเริ่มออกมาใหม่ๆแล้เราเริ่มหัดลองศึกษาดูก็เลยลองทำเลยก็ไม่มีอะไรก็ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับทางศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้า หน้าแรกนี่ไม่เคยเปลี่ยนหน้ามันทำอะไรทัดน์ศิษย์เต็ที่เลยสสเหรือนเหมือ น, นโคกอะโคงนี่แต่เราเป็นเด็กมามันก็เป็นอย่างเนี้สีแดงขาวอะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนมเลยเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนมันอยู่เรื่อยๆใช่ไหม น, นี่ก็เปลี่ยนหน้ามากี่คนแล้วก้าว้นเาใช่ไหม หน้าหน้าเฟซบุ๊กของคุณหน้า Facebook องรอครับขอไอที่ตรงนั้นก็ต้องเปลี่ยนหน่อยครับลูกลูกเริ่มปกติแล้วได้ไมอันไหนดูสวยดีนะอันที่ถ่ายจากที่สูงใช่นะครับใช่ครับคนจะได้เห็นอีกมุมนึงครับซึ่งพระจานรนี้จะเก่งภาษาอังกิษมากครับมากมากแบบมานี่แบบพูดแบบหูแต่ละคำแบบโอ้ นึกไม่ถึงนะครับเคยฟังไหมครับไปฟังภาษาไม่ไม่เคยฟังภาษา<อ>เพราะว่าเปิดสักพักหนึ่งก็มาเจอแบบเสียงมันไม่ค่อยชัดนะคะที่มีฝนตกอ๋อมันมีมีตอนนี้มีเยอะกว่านั้นอีกเยอะใช่ไหมคะเยอะกว่านั้นเยอะแล้วตอนหลังๆว่างเงี้ยจะดีขึ้นเยอะเพราะว่าเราก็ทำแบบมือสมัครเล่นนะครับเราก็ ลองปิดลองถูกมาตอนหลังนี่เริ่มรู้แล้ไม่พอดีไม่ชัดเขาเลยสะดุดไงเขาเลยอยากรู้ว่าอะไรดูอะไรหลไหลเรื่องอยู่จะเป็นยังไงก็เลยอยากรู้ว่าอะไรแกไปลองทสอบนะครับลองดูหมอมีอะไรไหมป่ะวันนี้นี่ก็ขาประจงคุณหมอหมอเด็กหมอเด็กซิิกิจอคุณหมอิิกิตก็ไม่ใจครับผมผมพูดคุณหมอมาบ่อย ว่างก็มาเนี่ยว่างก็มา ค, คือเรื่องระอับใหญ่พอควงก็คือถ้าใครให้ดังสมัยพูพิจารเนี้ยอย่างอนา ถ, ถาดินทุกกาหรือพวกแปรพนานาำวิชาขาพวกเนียพราะทำไมเข้ามรลุกได้แค่พระสโสดาโดยที่เขาทำมทำพ้อก้าวขึ้นไปไม่ได้เขายังติดบวงกลามอยู่เนี่ยตัวนี้ยังติดกา ม, มาสุอยู่ เศรษฐีมีเงินเนยอะยังยังติดอยู่กับชีวิตยอยู่แบบรู้ๆหลาๆอะไรอย่างนี้แต่ใจบุญใจบุญใจใจไม่ชอบทำบาทแต่เขายังติดยังมีภรรยามีสามีมีอะไรมีสมบัติเพราะยังไม่สามารถถือสิงแปได้ตัดการไม่ได้ตัดการอาไรมณ์ไม่ได้เคยลูกสาวนี่รูส้สึกจะเป็นสักกาทาคานีนะลูกสาวเนี่ยสง่าส ง, สส ง, สส ง, สสง่ามากก เพโสดาบอลนี่ยังยังยังคลองเรืยอยั ง, ง ย, ยังติดการมารมอยู่ ย, ย, ยังมีลูกได้ยังใช้ชีวิตยังมีสามี <วะ S 1> มีครอบครัวมีอะไรอาจารย์ถ้าเกิดว่าในยุคนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เขาบรลุโซดาแล้วเนี่ยแล้วทำมันนิ่งไปเขาต้องการที่จะพึดขึ้มนมาปฏิบัติใหม่เขาต้องทอํายังไงอ๋อเขาง่ายลิบเดียวขอให้มีอะไรมันกระตุ้นให้เขาเกิดความทุกข์ขึ้นมาใช่ไห้เช่นสามีเขาตายภรรยาเขาตายเนี่ย หรือมีชู่หรือมีอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาเกิดขึ้นเขาจะเห็นความทุกข์จากการคลองเรือนที่นี้เขาก็จะไม่เอาละ ม่นเกิดว่าเขาไม่มีอะไรใลยักยามันต้องมีเดชะมันงเขาไม่มีลูกไม่มีผัวไม่มีอะไรตั้งเยอะอ่าไม่มีลูกไม่มีผัวเขาก็้าไปแล้วล่ะเขาจะเขาก็ไปเป็นสกิรดานทารมีนาธรรมีแล้ว่คือเขานิ่งบอกว่าคือได้โสดาแล้วนิ่งไปเขาไม่นิ่งเานิ่งเดียวเดียวสักพักนึงมันก็จะธรรมมันต้องเจริญขึ้นแคะโสดาก็ยังมีการบาลลุมไงพอเกิดการบารุมเขาก็ต้องหาหาวิธีแก้ล้ะ ถ้าเขาอยู่คนเดียวเป็นโสตเนี้ยเดี๋ยวอยู่ดีๆการมารมมันก็เกิดขึ้นมาถ้าเขาอยากจะดับการมารมเขาก็ต้องหาธรรมะมาดับมันาหาคาธรรมะดับไม่ได้ก็ต้องไปไ ป, ไปหาแฟนถ้าเขาไม่อยากจะไปหาแฟนเขาต้องรู้ว่าเขาต้องดับการมารมให้ได้เขาก็จะหาวิธีเขาจะพิจารณาดูว่าการมารมเกิดขึ้นในยังไงอ๋อเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาไปนึกถึงภาพสวยๆงามๆนึกถึงคน คนหน้าตาดีอย่างเงี้ยมันก็เกิดการอารมณ์ได้ถ้าอยากจะดับการอารมณ์ก็นึกถึงหน้าตาที่ไม่ดีมันก็จะมันก็จะรู้เข้าใจทางแก้เองถ้าสวดาบัณ น, นี้ไม่ต้องมีอาจารย์สอนเน่ะเพียงแต่ว่ามันเขาจะเขาจะรู้เองถึงเวลาที่เขาจะต้องแก้ปัญหาของเขาจะช้าหรือเร็วนะเขาจะขี้เกียจหรือขยันแต่เขาไม่รีบร้อนเขาก็รอให้มีปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ แต่ถ้าคนที่รีบร้อนอยากจะไปเร็วๆเขาก็รีบหาหาศึกษาหาวิธีแก้ไปเรื่อยๆถ้าเขาศึกษาธรรมะมาก่อนรู้ว่าออกขั้นต่อไปจะต้องทําอะไรพอเป็นโสดาบันละละสักกายทิฏฐิได้แล้วขั้นต่อไปต้องละอนี่ต่อละละละละการการอารมณ์การละการอารมก็ต้องเจริญสุภาพพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายพอพิจารณาไปสักพักเดียวมันก็ดับการอาลรมได้ มันก็เป็นพ่าอานาคามีขึ้นมา ล, อลออ้อล้อตัวแคปซูจะกระตุต้นในส เ, เต็ปไดจ้ะก็ยิ่งแล้วแต่ว่าอยู่กับใครถ้าเป็นท่าอยู่กับอาจารย์เป็นพ่าอันต์นเดี๋ยวก็โดนอาจารย์คอยเขี่ยไล่อยู่เลยอย่างอย่างนั้นาโปรัทนัสเคยได้ยินชื่อไหม<อ>โิรนัสไม่ใช่ไม่ใช่โรนัสในไบลานเปล่าไอ้คนนี้ก็รู้รู้รพระไตรปิฎกรู้หมดเลยแต่ไม่ปฏิบัต เวลาพระพุทธเจ้าเจอหน้าที่ไรก็บอกว่ามึงนั่นอยู่ปะจไบร์ลันเปล่ามีความรู้แต่ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไม่ได้ไหมดับความทุกข์ใจไม่ได้โดยตอนต้นคิดว่าตนเองเก่งไงโอ้รู้จะท่องพระไตรปิฎกคําสอนพระพุทธเจ้าได้หมดเลยทุกพระสูตที่แสดงไว้สุดท้ายดุสิตเกิดเป็นสามเณรนะต้องไปเป็นหาสามเณรเป็นอาจารย์มาสอนเพราะพระอาหารองค์อื่นท่านไม่สอนไงเพราะภรษาท่านมากอ่ะ ท่านก็ต้องการดัดด้วยดัดดัดทิฏฐิที่ว่าตัวเองมีพรรษาสูงมีความรู้สูงเนี่ยไปหาอาจารย์ที่เป็นพระหันท่านก็ไม่เอาไปหาองค์ลอ ง, องก็ไม่เอาเลยต้องไปหาสั ม, มเณีสัมมณีตอนแรกก็บอกไม่เอาเหมือนกันนี่อาจารย์ก็เลยสั่งให้ไม่ไม่สงเคราะห์ท่านหน่อยเลยสมมเณีก็จลยจำใจรับพระเถระนี่บวชมาตัง 3, 40, ้งสามสี่สิบพรรษาเนี่ยไปเป็นลูกศิษย์ ก่อนจะสอนก็เอามาทํางานก่อนเอามาใช้งานก่อน้างกระโถนล้างบาตย <c oughs> ลูกศิษย์ก็ต้องรับใช้ครูบาอาจารย์ <c oughs> ใช่ไหมจะทดสอบดูว่ามีทิฏฐิหรือเปล่า <c oughs> ถือตัวปล่าดื้อหรือเปล่าเนี่ยสามเณรต้องการทดสอบตัวนี้ดูตอนสามเณรมั่นใจว่าเ อ, อชื่อฟังทุกอย่างสั่งให้ทํำอะไรก็ทําสั่งให้ลุยลงไปในน้ําให้ไปหยิบของกับ <c oughs> เ อ, อพอไปกลางน้ําก็เปลี่ยนใจไม่เอาเลย กลับมากลับมาก็ไม่โมโหไม่โกรธยินดีรับใช้ตลอดทุกอย่างทำให้เนยก็เลยสอนใช่พอสอนแปบเดียวเดียวก็บรรลุแล้วมันต้องมีครูบาอาจารย์ถึงจะไปเร็วถ้าอยู่คนเดียวมันพอมันได้ขั้นไหนมันจะติดอยู่ขั้นนั้นใหม่ๆมันจะเหมือนกันได้ของของใหม่ใหม่มันก็ดีใจมันก็ชื่นชมอยู่แต่พอมันอยู่ไปสักพักแล้วเดี๋ยวมันก็จาเจมันก็จะเบื่อ แล้วกิเลส ต, ต, ตัวตัวอื่นมันก็จะออกมาสแสดงออกแผงนิดหนี่งทีนี้ถ้าไม่ถ้าถ้ามันออกมาแผงนิดนี้พระโสดาบันเขารู้แล้วปัญหาอยู่ที่ใจของอยู่ที่สังโยชน์อยู่ที่ความอยากของเขาเขาก็จะแก้เขาก็จะหาวิธีแก้ต่อ ไ, ไปได้ถึงแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะช้าบางทีเจ็ดชาติถึงจะจบถึงถึงถึงจะบรรลุขึ้นไปสู่ขั้นสูงต่อไปได้ แต่ไม่ไม่หลงทางไม่ต้องมีอาจารย์ก็ไดนะ้าสาวดามันตั้งแต่ว่าสดาบันขึ้นไปนี้ท่านเห็นพระอริยสัจแท่านรู้แล้วว่าปัญหาทั้งหมดความทุกข์ทั้งหมดนี้เกิดจากความอยากของท่านความอยากก็เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นส่วนที่มันไม่เที่ยงส่วนที่มันเป็นทุกข์ความอยากของเรามักอไหร่ทให้เราเห็นว่ามันเที่ยงมันสุขมันเป็นของเรา อใจหมตอบคำถามตอบตอบคำถามได้เลยใช่ไหมงั้ออนถ้า ม, มีกูบาอาจารย์รีบไปอยู่กูบาอาจารย์ดีปะท่านจะได้ช่วยช่วยคุยเขี่ยช่วยกระตุ้นอย่างหลวงตาเนี่ยอยู่กับหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านถึงพอติดตรงไหนเดี๋ยวหลวงปู่มั่นก็อ่าออใช่ตอนแรกไปหาท่านท่านก็บอกเลยว่าต้องทำใจให้สงบก่อน เรียนมาหกปีนี่ความรู้ไม่มีประโยชน์เลยค่ากิเลสไม่ได้เรียนเป็นมหาปริญญาสามเนี่ยบวชมาหกปีแต่เรียนเรียนมาสามสามปีเรียนได้มหาสารประโยชน์พอความรูนี้ยังไม่เป็นประโยชน์ค่ากิเลสนะครับต้องทําใจให้สงบกันสอนเลยพอใจสงบแล้วก็ไปติดสมาธิท่านก็บอกสมาธินี้เป็นเหมือนเศษเนื้อติดฟันออ มันไม่มีคุณมันไม่มีคุณค่าเท่ากับปัญญาพูดง่ายๆก็เลยสอนให้ออกไปทางปัญญานี่ไปพิจารณาตายรักพิจารณาพิจารณาจะไม่หยุดไม่หย่อนไม่ยอมเข้าสมาธิจนฟุ้งสร้างขึ้นมาท่านก็บอกมันติดติดสังขารแล้วมันไม่ใช่ปัญญาแนละ้วติดความคิดตรุงแต่งแล้วหลวงปู่ท่านคอยคอยคอยบอกทางให้ทุกระยะเลยเพราะการปฏิบัติไม่บป็นแล้วมันจะติดไนงะ พอถึงสมาธิก็จะติดสมาธิพอถึงปัญญามันก็จะพิจ า, จารณาจนกทั่งไม่หยุดไม่ย่อนมันก็เลยเถิดก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วพออยู่ขั้นขั้นไหนมันก็จะติดขั้นนั้นไปก่อนพอเป็นโสดานนี่มันก็จะติดมันจะสบายมันจะไม่อยากจะทําอะไรก็างสอนให้ออกออกสุภาษีานี้มันต้องคอยสอนพอกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายนี่ท่านบอกว่าพอดีหลวงปู่ม่านท่านตายไปก่อนท่านเจอปัญหาเจอตัว ตัวอวิชาท่านไม่รู้ว่าเป็นอวิชาเราบอกใ ช, ใช้เวลาต้องสามเดือนอนั่นกว่าจะมารู้ว่าไอ้ตัวนี้แหละคืออวิชาลงไปลงไปรักษาไปแบกคุณไม่ต้องนานเพราะอวิชานี้ตอนต้นคิดว่าจะเป็นเหมือนเสือโครง่งแต่พอไปเจอมันจริงจมันเป็นเหมือนนางนางงามจากกวาเ น, นาพอมันสวยงามมากมัจิตสงบละเอียดสว่างสวย ไอ้ตัวนี้แ่ะตัววิชารูกอะ แต่คนไม่รู้ที่ว่าโอ้โหนี่คือนิพพานรู้เลยที่ไหนก็เลยไปยึดติดกับมันที่ว่าถึงนิพพานแล้วก็พยายามจะรักษาตัวความสว่างสวายนี้ไว้นื่อว่ามันนิพพานแต่ความสว่างสวายนี่มันไม่เที่ยงบางทีมันก็เฉาลงอาจารย์เขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆหรือว่าคะเอาไว้หลอกคนครับอาจารย์ไม่การปฏิบัติตามันจะมันจะเห็นอย่างนี้จริงอมันจะเห็นจริงเห็นครับผมก็เคยเห็นไอ้สว่างโล้แล้วก็ไปแล้วก็ไปแหละแต่ว่า บางคนก็ติดอยู่ไอ้ตรงอย่างนั้นนั่นแหละครับติดติดอยู่ไอ้ความสว่างนั่นเดียวนะครแต่ไอ้ที่ผ่านนั่นเดี๋ยมีความเชื่อไม่ใช่แต่ไอ้อย่างอย่างบางที่พระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าไปหลงยึดกับไอ้ความสว่างนั่นแหลอน่าจะเศร้าว่าที่ไหนดังนั้นอเขาเชื่ออย่างนั้นจริงหรือว่าเขาหลอกให้คนเชื่อว่าไอ้นั่นแหละคือที่ผ่านเรพระอาจารย์คนคนคนหัวเชื่อจริงๆหรือว่า คือคนที่เขาเจอจริงๆมันก็เชื่อจริงๆเพราะมันเพราะมันสงบมันสุขมากเพียงแต่ว่าเขายังไม่ศึกษาดูความจริงว่าถ้านิพพานแท้มันจะไม่เสื่อมแต่อันนี้มันเสื่อมมันสว่างสวัยแล้วเดี๋ยวมันก็ลดลงมาได้บางทีก็กลายเป็นสีบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วแต่ คุณยังไม่เคยปฏิบัติพอถึงขั้นนั้นก็นึกว่ามันมีจริงๆก็เลยเชื่อจริงๆก็เลยหลงไปยึติก็อยู่ตรงนั้นติดตรงนั้นติดตรงนั้นว่าตัวเองเป็นพระอรหันด้วยซ้าแสดงว่าผู้นําก็หลงเหมือนกันก็นั่นแหละก็ต้องหลงพิจถูกก่อนแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ใช้ปัญญาอยู่เรื่อยพิจารณาใจรักอยเรยเดี๋ยเขาก็จะรู้เขาจะรู้เอามลยไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่นะเนี่วอะอย่างที่มีนิทานเรื่องพระอรหันต์นกหวีก็ได้ยินหรือเปล่า <g ül> มีพระปฏิบัติสามรูปมไปเดินทุ ด, ดงไปอยู่ในป่ากันแล้วพอถึงที่จะภาวนาเข้ากานอยกปักกฏกัน อ, อยู่คนละที่แล้วก็บอกว่าถ้ามีเหตุมีปัญหาอะไรให้เต่านกหวีดเรียกกันจะได้มาช่วยเหลือกันนี่พอภาวนาไปสักพักหนึ่งก็มีองค์หนึ่งเต่านกหวีดขึ้นมาอีกสององค์ก็คิดว่าเคยเกิดเหตุการณ์อะไรก็เลย ว, วิ่งไปดูถามให้ท่านเป็นอะไร ผมเพิ่งบรรลุเพราอย่างนี้ติผมสว่างิผมสว่างสวยเกิน อ, อะไรวะบรรลุแล้วมันทำไมต้องมาเป่าลอกหวีด้วยเ <c oughs> อาไม่เป็นไรก็แยกกันกลับไปภาวนาต่อ <c oughs> เดี๋ยวอีกช่วโ อ, องสองชั่วโมงเป่าอีกนะ <c oughs> นี่ไปถามมันจะบรรลุถึงขั้นไหนแล้ว <c oughs> พอไปถึงถามว่า เป็นอะไรมันเลื่อถึงขั้นไหนแล้วเหรอมัว่าเมื่อกี้ที่หงที่ว่ามันรู้มันไม่ใช่รับเนี้ยเาวมันก็จะขึ้นไปตามขั้นตอนที่พุทธเจ้าบอกทุกอย่างแต่มันไม่ใช่มันยังทุกอยู่อ่ะใจยังทุกอยู่มันยังไม่หมดทุก ต้งมีการยานมิตรนะคะคอยแนะนําม่งั้นหลงไปเลยหลงก็คือหลงไปเลยถ้าอยู่คนเดียวไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยหลงเนี่ยหลงผิดหลงถูกเนี่ยพวกที่เป็นเจ้าสํานักที่บวชใหม่ๆก็ไปเป็นเจ้าสํานักก็อย่างนี้ทั้งนั้นเห็นไหมเห็นไหมไม่มีไม่มีไม่มีครูบาอาจารย์พวกนี้บวชแล้วแล้วก็ไปตั้งสํานักของตัวเองเลยเนี่ยยันตะโพธิลักษณิกร พราวนาพุทโธอะไรพวกนี้เขาเป็นเจ้าสํานักตัวที่ไม่ต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิไปเลยมิจฉาทิฐิมิจฉาอะไรไปหมดมิจฉาสมาธิก็คือได้อิทธิฤทธิแล้วรสชาติได้ก็คิดว่าตนเองบรรลุแล้วก็มาเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านฟังแล้วก็ตื่นเต้นดีใจชาวบ้านชอบทางนี้ชอบไปทางนี้อีกนะไปเยอะทางนี้อาจารย์บอกสับตะเภาองใหม่อาจารย์อาจารดสับตะเภาองใหม่ไม่ก ก็เหมือนทุกวันนี่ที่เขาเข้าใจว่าศรีอานเกิดเกิดอะไรอย่างนี้เห็นไหมคะเยอะเลยตอนนี้การศึกษาจริงมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวก็จะมีคนมาแอบอ้างโอ้อวดว่าเติมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นคนไม่ศึกษาธรามะก็จะไม่รู้ว่าหลงไปเลยค่ะหลงไปเลยแล้วชาวบ้านนี่ก็เขาเขาลบพระมากไงพระพูดอะไรก็เชื่อพระพูดจริงธรรมะต่อพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันยังเรียนยังไม่หมดเลยจะไปเอาของพระสีอานต่อแล้วว่า พภาษีอันี้อีกหลายกับกว่าจะมาถูากำหนดขอถามเลยค่ะคุณดีอันนี้ก็จากชาวบ้านเหมือนกันคนที่เป็นเคยบวชพระนะค่ะสามารถแบบเป็นอะไรนะเป็นบวชหน้าไฟได้ไหมคะหน้าสุขน่ะได้บวชหน้าเขาเรียกหน้าหน้าไฟหน้าไฟนะสำหรับคนตายแล้วก็บวชเช้าเสร็จเย็นนี่ใช่ไหมค่ะทําไมแล้วทำไมเขาเคยบวชพระมาใช่ทีนี้เขาเขาจะมาบวชหน้าจุนะคะได้ได้นิดนิด ปรีลูกชายเขานะคะจะบวชจะบวชให้พ่อเขาที่เสียท่านนี้เขาบอกว่าไม่ได้เคยเป็นพระมาก่อนถ้าบวชหน้าหน้าศกนีทต้องเรีอะไรอย่างนี้เขาบอกไม่เราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเป็นดาวบวชก็ไปบวชกันก็เท่ากันเท่านั้นอ่ะบวชเช้าเสริเย็นก็ได้เลยขนาดข้าขนาดข้าเย็นยังไม่ยอมอดเลยนม้ะครับนี่มันบวชแบบแบบเดนลิเกอะเข้าใจไหมไม่ใช่บวชนอเหมืนคนที่เอาลูกมาถวายพระ ถวายเราแล้วก็ข อ, ขอเขาอากลับคืนไปว่ามีคนจะเอาลูกมาถวายไปแก้เคล็ดไงเขาว่าอ๋อลูกมีกรรมมีเวรเลยเอาไปถวายเอาไปถวายพระแล้วมันจะดีเราถ้าคุณจะถวายเราจริงๆก็ว่าถ้าถวายจริงคนเอากลับไปไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าถ้าถวายเอากลับไปมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ถวายอนะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมเค็ดคนถวายใจเหมือนคุณไหว้เจ้าอ่ะเอาเอากลับข้องกับข้าวหูหมูเห็ดเป็ดกไก่เวรวางไว้ ที่ถวายเดี๋ยวเพื่อนจะมาเก่งออย่างนี้ไม่ได้อะไรหรอกมันเล่นยิ่เกยเข้ามาเล่นลิเกกันหลอกกันอกรรมนี่หลอกไม่ได้นะมันกิเลสมันหลอกมันไม่ได้หรอกดังนั้นการบวชหน้าไฟหรืออะไรเงี้ย บวชเช้าเย็นเสร็จนี่ไม่มีอานิสงส์ไม่มีอนิสงส์อะไรไม่ได้ไม่ได้ศึกษาอะไรนะคะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้อะไรเลยว่าการอานิสงส์เกิดไม่ได้เกิดจากรูปร่างภายนอกเกิดจากการการแล้วก็ทําให้ศาสนาเสื่อมเสียไปทําให้คนคิดว่าการบวชก็บวชแค่นี้เองต่อไปก็ไม่ต้องบวชมากแล้วบวชแค่เช้าเสร็เย็นแล้วว่าคนตายได้บุญเยอะแยะอะไรเลยเนี่ยเป็ีกิดนแต่เขาบอกวิจักได้เท่าเนนนะคะใช่ กบอนีไม่หรอกก็บวชถ้าบวชครบตามที่เขากําหนดไว้มันก็เป็นพระล่ะพอดีมีพระองค์หนึ่งนะคะเขาบอกว่าอไม่อยากให้บวชเพราะว่าเคยบวชท้ามาแล้วแล้วพอมาบวชนี่เหมือนบวชหลอกเมืเป็นเมรุไม่มีไม่มีกฎห้ามหรอกบวชกี่ครั้งก็บวชได้ได้พี่ตาบวชทั้งทีค้อนบวชจริงๆเถอะบวชแล้วอยากสึกแค่นั้นเองอแต่ลูกชายบวชเดือน่อยก็เหมือนกับเอาผ้าไปซักถ้าแช่นานหน่อยมันก็ มันก็สะอาดมากขึ้นนะแค่น้อยเนี่ยยางนี้ถ้าบวชไม่ได้อะไรแล้วเขาบวชวันเดียวนั่นอะ โกนหัวลงทุนโกนหัวอะไรไปอย่างเงี้ยที่ไม่บวชไม่บวชดีกว่าไม่ต้องบวชก็เหมือนกันนะทำตามประเภทนี้เฉยๆทำตามจริงๆก็ไม่ต้องบวชจะได้คือพูดง่ายๆประเพมีรูษาัาทำผมมาแล้วแล้วคนมาเรียบอกจงศบหน้าศบพ่อแค่หน้าศ่านั้นจริงไม่ต้องบวชก็ได้ใช่ได้รูปแบบแต่เนื้อหาสาระไม่ได้เลยจริงไม่ต้องบวชได้บวชต้องเรียนลดปฏิบัติเินเก็ได้เพาะเาทำงานก็แค่มีศีลอยังไม่ได้ทันรักษาเลยเสร็ยังไม่ อันนี้ไม่ได้ทำผิดทำถูกก็ไม่รู้้วยซ้ำไปใช่ไหมเป็นภาพมันมีช่องศีลทั้ง227ข้อเวลาปศวะไปยืนปัศวะก็ผิดศีลแล้วล่ะอาบัติแล้วเดินหน้ำมายืนดืนมก็ผิดแล้วล่ะอย่างอย่างขอถานศีลแปดเนี่ยอย่างแต่งหน้าอย่างเนี้ยแต่งหน้าก็ แใช่คะองแต่ว่าไปที่อื่นเขาบอกว่าท่านบอกว่าไม่ไม่ใช่แต่งหน้าแต่ทาครีมทาอะไรอะได้ได้ไหมคะคือถ้าทาครีมเพื่อรักษาเป็นเป็นญปาได้ทให้คมแเป็นยาไม่อยากคิดเสรจมันต้องเป็น ไม่ได้ด้วอความสวรงาไม่ได้ออกมาแล้ว้าเหยยิ่งเป็นทุกข์อา้ผิวหนามีปัญหาแแสบโดนวาแลวก็ได้ยาไค่วาเนรว่าป็นยาอย่างนั้นเวลาไปปฏิบัติเลยคะบางที่ท่านบอกว่าเออาเป็นยาไม่เป็นไรอย่างั้นเอาได้แค่สูตรแลติดรูะไรคีมบำรุงอะไรไม่ได้แต่ไม่ได้ทาแป้ อช่ค่้าได้แต่ครีมนัคไม่ได้ทาปได้ถ้สมมติว่าสิวกรณีที่จะเป็นอักเสบจริงจริงแ้แบบ หมายถึงต้องกีเล็ต้องอกจากเราปวดกีเลต้องทําีเล็บจะไดไม่สด้สิบเจ็ดไม่ได้ในพรองคาไม่ได้ไม่ได้เป็นสิบด่า้อยใจค่ะเหลือข้อเดียวในหัวใจว่าขอขอนาสินเจ็ก็จะไม่มีสิทธิยนทได้หมดมีข้อเนี่ยขอาษเจะถึงสีแปดจะลดลดลงคะแต่ว่ายังเหลือหน้านี้ไม่ได้ไม่เคย พอเราสวยที่ใจไม่ได้สวยที่รกาคก็ค้าขายด้วยไงคะไม่ใชหรอค่ะพอหยุดหยุดหยุดประมาณสาวันหน้าก็จะเป็นฝ้ากลับมาได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ใจเราสวยแตใจเราสวยปกติก็สวยอยู่แล้วความสวยทางใจนี่ชนะความสวยทางกายนะความสวยทางกายนี่ถ้ามาเจอความไม่สวยทางใจนี่ถอยเลยแหละเพราะว่าการปฏิบัติมันก็ต้องปฏิบัติตัเใช่นอก แต่แต่ตัวเองก็ไม่สนใจใครอยู่แล้วเวลาใครพูดแล้วก็เฉยเอย <c oughs> ตั้งแต่ทำงานเมื่อก่อนทำงานธ น, นาคารนะคะแล้วก็ออก ก็ค่รจะพูดอะไรก็เฉยเฉไม่สนใจนะเป็นคนหูทวนลมค่ะาะว่าไม่สนใจไงคะไม่สนใจก็ไม่ต้องไม่ต้องแต่งหน้าท่าไม่ได้ค่ะวันนี้ดูร่าไม่ได้ร่าจะกจัดแต่ยังสนใจอยู่ไม่สนใจชาวบ้านะาจะพูดอะไรก็คนคนที่ทำหูทวนลมเนี่ยวันข้างหน้าจะมีโอกาสหูหนวกอะไรไหมไม่มไม่ยก็ไปิ่งไงมูทนลมม่ไม่จะนิ่งอยู่หูทนลมว่าเกิดใจใจใจใจไม่ตื่นเต้นไม่อะไรกับใครอัตราที่ดี อ่าใช่มีอุเบกขาใครจะนินทาจะอะไรเฉลี่ไม่สนใจงันก็ไม่สนใจก็ไม่ต้องไม่ต้องไปใช้ขีดเลยไม่ยไม่ได้น้าเนี่ยหากินกับหน้าหากินกับหน้าไม่ใช่ฟาจะขึ้นก็ปล่อยที่แก่ขึ้เป็นฟาแต่ปล่อยคือไม่สนใจแล้วท้ฟามาละหอตายและมันละอกยากผนเอรอจากสินออกอกจากสินด้ฟาเ็งายยังไม่หายเพรมันหเลย รักาไงต่อไปมันก็เหี่ยวโยู่สักสิบปีมันก็ทายังก็มันยิ่งยิ่งยิ่งเละใหญ่เลยนะดูว่าก็เคยลองไงคะว่าปล่อยไว้ปล่อยไว้ที้งมันขึ้นมันเอาไม่ลงเขาบอกว่าเขาจะไปดึงดึงหน้าที่ลูกสาวบอกไปหาร้อยไหม่ไปล้อยไหมที่ลูกสาวบอกไปไหมให้ไปโรงพบานเลยนะโรบาลก่อนไม่เกี่ยวกับล้อยไยเลย เชื่อพระพุทธเจ้าเถอะก็ะเจ้าสวยใจดีค่ะสวยแท้สวยสวยการนี่สวยกลอมมันไม่จีรังเดี๋ยวมันก็ต้องเหี่ยวย่นประเดนที่สุดถ้าสวยใจแล้วนี่ชนะใจก่อนเนี่ยไม่ไม่ใช้ปัญญาไงอยู่แต่สมาธิไม่ใช่ปัญญานิจังไม่ใช่ปัญญานิจังเนี่ยทุกอย่างมันไม่เที่ยงโดยแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็น เป็นสิ่งที่จะต้องตามมาเนี่ยปฏิบัติมันต้องให้ครบทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญามันถึงจะอดับความทุกข์ดับความอยากต่างๆได้เนี่ยพยายามอยากข้ามขั้นตอนยาอย่ า, ยาเลือกว่าเอาอันนี้อันนี้ไม่เอานี้่ <c oughs> มันจะไม่ครบสูตรถ้าไม่ครบสูตรนั่นมันจะไม่เบ อ, อ, องอยู่แล้ ว, ลวขาดเป็ตตนตัวใดตัวหนึ่งยิ่งศีลโบสุดขาดตัวหนึ่งก็คือขาดหมดอยู่แล้วอย่น แต่นี่ทำใจไม่ได้เรื่องยุงอย่างเดียวกันค่ะถ้าเห็นไม่ได้ต้องมันเหมือนต้องอ่ะาเกิดมันตกให้ได้ก็เขี่ยมันไปเฉยเฉยไล่มันไปเอาตามตกให้ตายเอาพันไล่มันไปก็ได้ มีความรู้สึกถ้าเขากัดเราเราเจ็บปุเราจะไม่ยอมนะคะต้องตามให้ได้เป็นนิสัยต้องเมตตาให้เมตนาน้อยไปให้อภัยเรื่องเดียวมียุงอย่างเดียวอย่างอื่นปล่อยได้หมดแต่ยุงไม่พอมันกัดปุต้องแเกันตตไม่ติเไเราองไม่ติดม่ติมานะมเจ็บเรามีความรู้สึกาล้วแเป้ขัดเส้นติดรมียุงอย่างเดียวแต่อย่างอื่นเนียยอมได้ อยากดูเพรเห็นแล้วก็เลยปัดมันมขายของอยู่บ้านเหมือนกันยุงมาตอมมันก็ไม่ได้ทาอะไรเราไม่ได้รู้สึกมันไม่กัดอ่ะเราแค่เป่าลูกค้าเห็นลูกค้าเห็นครับที่เขาดูมองเาตป็นตัวประหลาไงมองเราเป็นตัวประหลาดแต่เราไม่อยากฆ่าจิตไม่คิดจะฆ่าก็คือไม่อยากฆ่าเพราะชีวิตของเขาก็มีสิทธิ์อยู่ในโลกเหมือนกันเขากับเราเหมือนกันรักตัวตัวตายเหมือนกันรักตัวตัวตายก็เขาเหมือนกันตอนเดินจงกรมอยู่นะคะพอดีมีเห็นงูอยู่แวบ๊บงูเขียวค่ะตัวเึงเอามา เขาเรียกความไม่จริงคืกลัวงูนี่กลัวกลัวอยู่แล้วกลัวก็ลักเดินจมกลมอยู่แ้แต่ไม่ฆ่าก็ไม่เป็นไร่ไม่รคไม่ไม่ค่ะเพราะจิตเราจิตเรากลัวเองถ้าเราไม่กลัวก็คือไม่กลัวคือมันก็ไม่มาทำร้ายเราเราก็เราเรากลัวมันเองตัวเราใหญ่ก็ไม่ต้องหายเท่าเราใหญ่ก็ไม่ต้องหายเท่านี่ไม่กลัวนะคะอย่างนั่นเมตตาหรือไงพระอาจารย์นั่นฆ่าตัดไงอาจารย์ อย่างมาทีผมนอนนอยู่เงี้ยครับอาจารย์อันนี้อันนี้เป็นความไวของผของสติสตมผมอย่างนะครับอนอนนอนอยู่เงี้ยโดนมะ ก, กัดตึ๊กขึ้นมาเอาตโตมิติกมือไวต้องห<ง>ุ้มกัดเลย <laughs> แต่เวลาผมโดนมะ ก, กัดปุ๊บจิตมันรู้เลยเฮ้ย ถ้าปัดเนี่ยเขาตายนะหยุดกลองเลยให้กันมันก็เป่าเป่าปัดปัดปัดเนี่ยมนช้าไวเราไม่สติปัญญาเราไม่งั้นเราตายเลยถ้าเราถ้าเราไม่ฝึกมันจะถ้าไม่ฝึกมันจะไปโดยอัตโนมัติมัไปอัตโนมัติผมาจะเบาของเราแต่เขาตายให้เาต่ยเราความรู้ปุ๊บไม่ได้ พอเราถือศีลนี้เราจะเรามันระวังเวลาเป่าที่มันเกาะที่เราจิตเราไม่คิดจะเบียดเราจิตเราไม่คิดจะฆ่าจริงๆเราจะฆ่าก็ได้อยู่ตัวนี้มลงศักดิ์ต่อหน้าเราเราจะฆ่าก็ได้เราจะเหยียบมันก็ตายแต่จิตเราไม่คิดจะฆ่าเราก็เลยเฉยเฉยเราเฉยเในบรดาในเวดาศีนห้าครับอาจารย์การฆ่าสัตว์ชุยนี่ถ้า น, น, นับแล้วนี่น่าจะหนักที่สุดหนักที่สุดข้อหนึ่งนะก็ข้อหนึ่งนะก็ข้อสองข้อสองตามลำดับเลยพเรข้อห้าเนี่ยเบาที่สุด คนยิงกินเล้ามาแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ไปทำถ้านอนก็ไม่มีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่าคนแผมว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยผมว่าข้อทียากสุดข้อเป็นข้อสามอยู่ดีครับข้อสหรือข้อสี่นะข้อสามข้อสมพูดยาก่สุดยาก่สุไม่ได้โกหกนะเพราะเราทำติดเราทำติดนิสัยไงยับษ์มากลายเซ็นชานัแลสารด้วย คาจริงถ้าฝึกมันยากมันไม่ยากเถ้าเราพูดคาจริงไม่ได้เราก็อย่าพูดถองพูดอาหักอ๋อมันพูดพูดพื่อเจาอาจารย์พูดแบบเล่นบางทีกจริงจมันเยอะมากนะคะบาอย่างยการพูดเยอะมากเลยนน้่พูดเพอเจพูดสอเสียใช่แล้วอย่าลืมว่าคาพูดเราเนี่นรกเลยนะคะตกนรกเลยจริงๆดูเหมือนน้อยๆจะตกนรกจริง น่ากลัวมากอย่างนี้อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กเนี่ก็เพื่อเจอกันเยอะมากนะนเลยค่ะไปเจอกันอยูนรกแต่ละผู่มเขาเขาใช้คําพูดโดยที่เขาไม่ไม่ไม่มีความรู้มันจะกระทบกระเคียนไปถึงพระรัตนตรัยครัอาจารย์เขาคิดว่าด่าเอามันเอาแค่ตรงนี้ครับเห็นอะไรก็ด่าด่าแล้วก็จะมีพวกนี้เยอะครับอาจารย์เขาจะมีคำคำหนึงครับเขาบอกว่าผู้ อะไรนะผู้รู้ธรรมะชอบเอาชนะพู้อื่นแต่ผู้มีธรรมะชอบเอาชนะตัวเองใชอใช่ผู้มีธรรมะก็ชนะตัวเองแต่พวกรู้นี่จะอยากมุ่งอยากชนะก็รู้ฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้อะไรยงี้แต่พวกมีธรรมะจะนั่งนั่งนัเฉยนกันเป็นน้าปากเปียกปากฉี่นะครับเยอะครับอาจารย์เยอะมากอย่างงปู่แหวนท่านบอกระวังธรรมะจะการเป็นธรรมเมานะใช่ธรรมเมา คุยธรรมะกันไปแต่คุยนั้งแบบโอ้หน้าตาข่ำเครียดไปหมดเหมือน <laughs> <c oughs> ตาบอดคําำช่างห้าคนมาเถียงช่างเป็นอย่างนั้นช่างเป็นอย่างนี้มันก็ถูกคนทุกคนอ่ะแต่มันถูกเฉพาะส่วนที่เข้าไปทำนั่นเอง <c oughs> อย่างนี้พวกเราถ้ามาคุยกันถ้าไม่มีธรรมะเดี๋ยวเถียงปัญญาอย่างเดียวก็พออันนี้ว่าไม่ไดไม้มีปัญญาต้องมีสมาธิด้วย มั น, นก็ถียงก็ไม่ได้ความจริงมันต้องมีหมดเนะี่ยมันถึงจะครบสุดมรรคในองค์แปดปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปส ม, มาส ม, มาธิก็เป็นส ม, มาธิศีนก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวะเป็นสนีมันมีครบหมดอนะ เห็นแต่ว่าบางคนเนี่ยเขามีอยู่แล้วเขาเลยไม่ต้องมีเช่น <plein S 2> บางคนนี่ไม่ต้องนั่งสมาธิฟังธรรมก็บรุ้นได้เลยการแสดงเขามีสมาธิอยู่แล้วพวกปัญจ ว, วัคคีย์ที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมให้นี่เขามีฌานมีอะไรกันอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องไปสอนเรื่องฌานไม่ต้องพูดเรื่องฌานพูดเรื่องสมาธิพูดเรื่องปัญญาเลยพูดเรื่องอริยสัจสี่พูดเรื่องตายละแค่นี้เขาก็บรุ้นได้เลย แต่ถ้าเราฟังแล้วเราไม่บรรลูก็แสดงว่าเราไม่มีสมาธิศีลยังไม่บริสุทธิ์แตมีแต่ย้ายแต่ครงคุณจัดาการว่าผมไม่สบ<ล>ายแล้วมันมีอยู่ <laughs> เรื่องหนึ่ง น, นะคะจริงนะคะคือว่าเวลาขึ้นบ้านใหม่อะไรนี่นะคะเขาจะมีผ้ามาสวด <laughs> แล้วเวลาเวลาเทศนะครับจะมีบทหนึ่งที่ว่าไล่ผีนะคะ เ, ออเขาจะบอกให้ผีนะออกไปก่อนอออก่อนที่จะเทศอะไรเนี่ยเพราะว่าไม่มีหรอกไม่มีใช่ไหมคะแม่ใความเชื่อทํําทาให้ ยกตัวเองให้ก็คนที่เขาไม่นับเสียพุทธเขาก่อนนต้องมีไม่เห็นต้องมานิมนต์พระเข้าบ้านเขาอยู่ผีเ้าเหมือนจะมียังไอทุกอย่างอันนี้พวกนี้เขาเรียกสีรับพระจหมดเข้าใจไหมซื้อออกรถมาใหม่ก็ต้องให้พระเจิมก่อนเจะไปหาเลยใช่ไหมเครื่องบินการบินไทยซื้อเครื่องบินมาทีไรต้องนิมนต์พระไปเจิมเครื่องบินก่อน พ่อพี่ซื้อซื้อรถมาแล้วก็แล้วก็เติมใจ เจอเองเลยแบบอันนี้ยิ่งสีล้วกาตามากชัดๆเลยแล้วอะไรให้คือคือือคนี่เจอพี่เรเิดที่เป็นเจปูนะคะรัชกาลที่ห้าที่ชบ่จับพาท่านมาก็เลยสวดนโมสามจบนะคะก็สวดอะไรดีๆแล้วก็ติกับหน้าลถเพก็มหวัตเพเลยนะคะคุณดี้ มีหลานมาจากวันหนึ่งก็ขับไปก็ล้มแต่เราขับมาตั้งหลายปีก็ไม่มีปัญหาไม่เจอมันเลยแล้วทีนี้หลานเขาซื้อรถมานะคะโมจายเขาบอกอน้อยมาเจมรถให้หน่อยโมจาขเบอกว่าไม่เจอมนอยู่ไม่ได้ไม่มีใครเจอมันเพราะว่าเตยเป็ถาีมาแบกหมื่นนะคะเ้าบอกว่า มาเจอไม่หน่อยเพระว่าน้บอกไม่ได้ต้องไปให้พระเจิมจะไม่ให้เจอแไ่เพราะเป็นผู้หญิงก็เลยพูดอนี้คือตัวเองทาให้ตัวเองแหะเป็นรถของเราเองไงคะไม่ใช่ของเขามันอยู่ที่เจอมันอยู่ที่เจิมแล้วไม่เจอมันอยู่ที่ประมาทแล้วไม่ประมาทอันนี้จะสำคัญที่สุด ขอให้ภาพดีไงเจอไงถ้าประมาทมันก็ข้ามอย่างคนมาให้หลวงพ่อคนคนมาให้หลวงพ่อคุณนั่งรถจะได้เป็นสิลิมงคลหลวงพ่อถามว่ามึงขับเร็วเท่าไหร่แค่ร้ยี่สิบเลยเพราะกูลงตั้งแต่80สิบแล้วกูไม่นั่งแล้วล่ะหลวงพ่อคุณขับเร็วจริงขับเร็วจริงๆค่ะหลวงพ่อคุณร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบกินเงิมันเยอะ พระอาจารย์ที่จะไม่อับนิมนต์เลยไม่ไปไหนเลยไม่รับเลยทุกงานเราเรานิมนต์โยมมาหาเราดีกว่าสบายกว่าก็ตอนนั้นมีชาวสิงคโปร์มาทั้งกลุ่มเขาอยากนิมนต์พระอาจารย์ไปไปสิงคโปร์มากเลยไปทั้งวัดทั้งนู้นไปทางสิงคโปร์พระอาจารย์บอกว่าบอกว่าคุณมาหาเราจะง่ายกว่าก็ง่ายกว่าอะไรเงี้ย เพราะว่าเขาประมาณว่าอยากคาดหวังเลยนี่เดี๋ยวจะเสียใจเลยเน่ยเพราะเขาท่านไม่ไปอยู่แล้วท่านนั้นไม่ไปก็เหมือนท่านวโที่ท่านวโรพูดตอนที่ยังไม่ดังก็อยู่สบายๆตอนดังไม่ไม่มีเวลาจะนอนในคนนิมนต์ไปนั่นไปนี่ลำบากอีกถ้าเราเก่งใจเขาเราจะเราจะลําบากแม้กระทั่งรถชนคนตายอยู่ใต้สะพานก็ต้องไปยืนไม่รู้รถจะชนเจ้าของมี่ปัญหาน่าหลกมากท่านวโพูดนะฮะกิมนิมนต์เยอะ แต่วันนี้ดูก็ว่า น, นูได้บุญ น, นะเพราะว่าเขาบอกว่าทาให้คนหัวรอดได้ห น, นึ่งวันมีอายุยปีก <laughs> <c> ็ <oughs> ได้ผลจริไแต่บาคนที่ว่าหัวต้อนหยองไงไงพอแลยังมีอะไรอีกหมหัวหน้ามแล้วเนะป ข, ข้อปฏิบัติการปฏิบัติทำเมอนกันารปฏิบัติกาไ อย่างในเฟซบุ๊กแบบนี้ก็จะมีการถามตอบบ่อยี้ครับเพราะว่าเขาจะฝากคาถามมาแทบทุกทีนะครับก็จะมาถามพระอาจารย์เขาก็จะไปรอฟังกันแล้วคนอื่นก็จะฟังด้วยอย่างโยมเนี่ยถ้านั่งสมาธิได้โยมก้าวหน้าแน่ๆบรรลุได้แน่ๆเลยถ้าไม่เชื่อลองไปทำดูถ้าไม่ทำมันก็จะไม่มันก็จะเกิดอยู่เนี่ยมันจะไม่ไป มันจะเป็นแบบใบลานเปล่ามันจะมันจะเป็นแบบใบลานเปล่ารู้รู้ธรรมะแต่ทําไม่ได้ลงปฏิบัติตลอดตลอดตลอดแต่ว่าคงไม่ได้สังสมมานะคะก็ชัวร์เลยไม่สังสมมก็ลองทํำต้องเริ่มทำใหม่ค่ะองได้เริ่มทำใหม่ กับข้าวก็เหมือนอ่อนชูรสมีน้ำปลามีน้ำตาลแต่ไม่ได้ใส่ชูรสยังไม่ครบเครื่องมีหมแต่ไม่อร่อยก็เรื่องจริงค่ะกับข้าวมีหมดจะทําไม่เป็นอุปกรณ์อย่างดีหมดจะทําไม่เป็นารได้ครอย่าง ส่วนองทานี้ได้แต่สมาธิไม่ได้มีเวลาไปทางนี้ไม่ไปปัญญาเลยได้แต่ของารนี้เรื่องฟังไปสุดกมไม่ใช้ปัญญาไปก่อนนี่เป็นจมูกันแลวเขานั่งสาธิเขั่งสมาธิเขาต้องไปเองถ้านั่งสมาธิได้รับรองไปได้เลยอย่างหลวงหลวงปู่ม่นสอนตาเนี่ยท่านสอนว่าท่านคุณเรียนท่านเรียนมาเยอะแล้วได้มาปฏิยัตาประโยชน์ แต่ความรู้นี้ยังไม่เป็นประโยชน์พราไม่มีกําลังใจไม่มีกําลังที่จะหยุดกิเลสได้ต้องเอาสมาธิมได้ครับพอได้สมาธิป้าความยุ่งนี้มันจะมาตัด ก, กิเลสให้เราหายจถ้าเทางอาจจะติดขัดในสักอย่างเวลาเรานั่งสมาธิปึ๊บแบบถ้าเรานั่งเฉยนตรมหายจใจเรารีทิ้งแบบสะดุ้โล่งแต่พอจะเริ่ม ใช่เพะว่าสมาธิปุ๊จะติดขาดันดีหายใจเพื่แค่นี้เพราะว่ากิเลสมันเริ่มออกออกมาต่อต้านกิเลสมันจะทำยังไงคะตัวนี้มันมีปัญหาแบบนี้นะคะที่ไม่ได้ดูสมาธิก็ตอนต้นสวดมนต์ไปในใจก่อนก็ได้สวดมนต์ไปที่พิเสวะล้างสมาสว่คขาโตไปสวดไปจนกระทั่งมันรู้สึกเย็นสบายแล้วเราค่อยดูลมต่อ คือกิเลมันไม่ยอมไงมันมันอยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลามันก็อ้ามัเป็นปัญญาไงคิดไปในทางปัญญาแต่ความจริงมันก็เป็นถังขางตูงแต่งดีๆนี่ไม่นะคะอาจารย์<ม>ตรงนี้ไม่มีปัญหาเรื่องคิดฟุ้งซ่านจิตนิ่งๆเฉยๆแต่ว่าหมายถึงว่า<ม>หายใจไม่ออกอยู่ตรงทิศ<ถ>อยู่ตรงนี้เหมือนกับอึดอัดเลยเพราะเพราะว่ามันพอบันให้มันหยุดคิดมันก็อึดอัดไงมันเหมือนกับถูกจับเข้าไปขังในคุกไงนี่แหละค่ะม<ๆ>ีปัญหาตรงนี้แหละค่ะมีปัญหาตรงนี้แวก็สวนมนต์ไปก่อน นั่งในท่าสมาธิเนี่ยหลับตาลแล้วก็สวดบนไปภายในใจก็หมายถึงคนจะนั่งสมาธิก็ต้องสวดอิติปิโสอยู่แล้วพอเรียบร้อยหมดแผ่เ ม, มตตาเรียบร้อยจึงไ ม, ไม่พอมไม่พอต้องสวดไปสวดแบบในท่านั่งสมาธิไปเลยสวดใใจสวดไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเลยให้มันเย็นเลยสวดอิติปิโสแล้วนสวดไปเรื่อยๆจนงมันเหนื่อยมันอยากจะหยุดสวดนั่นแหละทีนพอดูหรอกอ่าพอมันเหนื่อยแล้วมันตวมันก็อยากมันก็อยากจะนั่งเฉยนั่นแหละ มันมันจะอึดดันยิ่งไม่อึดอัดเพราช่างมันใช่ไหมครับมันไม่อึดดันแล้ว อ, อถ้าสวดไปเรื่อยๆต่อไปมันความอึดอดันมันจะหายไป<ด><ะ>พอมันหายแ ล, แล้วเราก็นั่งดูลงต่อได้ไ<ห>นี่แหค่ะที่ที่ไม่ไม่ทำสมาติทําไปปุ๊บจะอึดอัดทันที<ช>แต่ถ้ า, น, านั่งไร้สาระในหายใจโล่งก่อนนั่งดูลงนั่งเคยก็ดูได้ได้ค่ะนั่งคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็คิดได้แต่แต่แต่ถ้านั่งเฉยๆไม่คิดอะไรนี่ยมันเริ่มเริ่มเกิดอาการเคล็ดซึงด้วยอ อ น, นี้ก็นั่งสมาธิพยายามตามลมนะคะลม ก, ก็อยู่สั้นๆแค่เนี้ยบาแค่นี้ก็อยู่แค่นี้มันก็เลยอึดอัดนะเรื่องของเรื ม, มันไม่เกี่ยวกับลมนะมันเกี่ยวกับจิตของเรากิเลสของเรา มันไม่ยอมมันไม่ยอมอยู่นิ่งๆเฉยๆเหมือนที่อแจ๊สอนว่าต้องตามลงแต่ปลายจมูกใช่รู้อยู่แค่นี้เด็ดขาเข้าไปอยู่แค่นี้อ๋อมันเข้าไปลึกแต่เราไม่รู้เองมันลมมันต้องเข้าไปถึงในปอดทั้งนั้นหละอคเาอยู่ตรงเราดูที่ปลายจมูกทันดูเกดูเพื่อให้ดูเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันมีงานทําเนี่ยแค่นี้มันได้แค่นี้เองค่ะก็ได้แค่นั้นก็พอแล้ว ไม่ต้องเรื่เหมือนอึดอัดอยช่วงนี้นะคะอึดันนี่มันไม่ใช่เรื่องของลมมันเรื่องของกิเลสอ่ากิเลสมันต่อต้านจิเลสมันไม่ยามอยู่เฉยเฉยมันอยากให้เราคิดนู่นคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอไม่ได้คิดตป๊บมันก็เนี่ยมันก็ออกฤิ์เ้าใจป่ะที่อาจารย์ถ้าเป็นไปได้ไหมคะที่นอนสมาธินะคะรับสินอนก็หลับไม่ถักคือแต่ก่อนอ่ะมันมันไม่ใช่หลับนั่นแบบแต่ก่อนเนี่ยคือพอเราเรานอนเหมือนว่า เราอะไรเนี้ยมันเหมือนมีสมาธิเข้ามานะคะที่นี้ก็ไปเล่ากับฟานเขาบอกว่าเป็นไปได้เขว่าเอเว่าเอะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เป็นไปได้แต่จริงๆมันเป็นสมาที่หลักสมากว่าเพราะมันเข้าแล้วมันแบบมันเหมือนกับนั่งสมาธิมันเวิร์บเวิร์รเวิอะไเนี้ยแหะจนเลยว่าเอ๊ะเราฝันหรือเปล่า สมาธิเนี่ยมันอยู่ในท่าไหนมันก็สงบได้ถ้ามันหยุดความคิดได้มันก็มันก็แต่แต่ของอันนี้นะคะคือเคยเค ย, เคยแบบไปปฏิบัติธรรมนะคะของคุณแม่สิรินะคะท่านก็สอนทีนี้เขาจะมาที่ครั้งแรกเป็นไรไม่รู้แบบนั่งไว้ที่นี้แบบเหมือนจะเป็นลมนะคะแล้วก็เกือแบบออกทั้นตัวเหมือนคนที่ตายนะคะอืที่เ้าบอกเหนือนการะะอะไรทั้งตัวเลยแล้วตัวอง ก, ก็ไปเน่ตอนแรกไ่รู้เหมือนจะเคนทีตายไปเลยค่ะที่ออได้ เลยแบบเหมือนพื้นน่ะมันเป็นข้ออะไรก็ไม่ทราบน่คะตอนนั้นตอนนั่งนัง่งแล้วพอนั่งนั่งครุกคนนั่งสมาธิแล้วไอ้เราก็นั่งนั่งมาทีนี้เหมือนถ้มันวูบไปเลยแล้วก็เหงื่อกลามแตกหมดทั้งตัวเลยแล้วก็ <ừ. S 1> เหมือนกับหลับไปเลยนะคะเหมือนไม่ไม่ใช่หลับนะคะมันก็เห็นเหมือนในสมาธิะคะ่ะมีผวังอะไรอย่างนี้แล้วก็พอพ อ, พอลุกลุกขึ้นมานึกได้เอ้ยเหมือนตายไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ เพราะอะไรคะอย่างนี้เพราะจิตเรามันครุงแต่งไปเองปรุงแต่งแล้วพอกลางคืนมาก็ฝันเห็นเหมือนธรรมจักนะคะฝันนี้ก็จิตปรุงแต่งกันแ้่แล้วปรุงแต่งจะเหมือนตายไปจริงๆสมาธิจริงๆนี่มันต้องว่างสมาธิจริงๆนี่ต้องว่างต้องเย็นสบายอมีความสงบค่ะแบบอาจจะฝึกขิดหรือเปล่าคือเนี้ยเวลาทําสมาธินี่ยมันจะเกิดกิเลสต่อต้านทุกรูปแบบ เงาแากทักก็มีถ้าถ้าสมมติว่านั่งเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะปูหมดเลยนะคับมันได้ไหมคะยังคือเป็นความรู้สึกจิตมันปรุงแต่งไปเองมันแบบว่าไม่มีอะไรในท้องเลยอ่าอันนีเพียงแต่ว่าจิตมันเป็นปรุงแต่งว่าไม่มีร่างกายมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงองไรเลยบางคนก็คิดว่าตัวเองพองเบืเริ่มเพิ่มรอยบางคนก็คิดว่ารอยขึ้นมาบางคนก็หดลงไปอ๋อนี่ปุงแต่งปุงแตงเนี่ยมันจิตมันหลอกเราทั้งนั้น ให้รู้เฉยๆอย่าไปสนใจมันแล้วกลับมาดูลมหรือพุโทโธต่อไปไอ้ของพวกนี้มันเป็นของหนึอนกับดักให้เราเสียสมาธิอาใจารย์พอเราไปสนใจสักสมาธิเรากแ็แตกหมดไม่มีวันที่จะสงบได้เห็นต้องรู้ว่าเวลาเรานั่งสมาธิเราต้องยึดอยู่กับการภาวนาอย่างเดียวเช่นเราพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวลมจะสั้นจะยาวจะละเอียด จะลึกหือไม่ลึกอย่ไม่สําคัญขอให้ดูให้ดูว่ า, ากำลังดูลมเท่านี้เองอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปคิดเรื่องอะไรต่างๆต้องการหยุดความคิดเข้าใจไหมจิตจะสงบได้ต้องหยุดความคิดเหมือนกับรถเนี่ยรถจะหยุดได้ก็ต้องเหยียบเบรกถ้ารถยังไม่มีเบรกนี่ยมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยการการภาวนาดูลมพุโทโธนี่ก็เป็นการการเหยียบหยุดความคิด เราหยุดความคิดได้แล้วโอ้โหใจจะโล่งเบาสบายเหมือนขึ้นสวรรค์เลยแต่ตอนต้นเนี่ยเหมือนเหมือนกันต้องผ่านนรกก่อนเวลานั่งสมาธิใหม่ๆเหมือนต้องผ่านนรกประตูนรกก่อนถึงจะเปถึงประตูสวรรค์มันนมัง่ายจะตายไปนั่งเงนี้ยๆอย่างนี้มันจะยากเลยมันยากตรงที่จิตเราไม่ไม่เคยไงสมาธิครับอย่าสมมติว่าอย่างอย่างอาการต่างๆที่พระอาจารย์พูดมาหรือที่เขาพูดมาแต่ผมก็ผ่านหมดแล้วครับ ตัวพองตัวตัวโยกหรือแสงสว่างเนี่ยแต่พอมาถึงแสงสว่างครั้งหนึ่งปุ๊บสว่างโล่อมันโล่เลยจนมันอ่าและอีกวันหนึ่งพอมาครั้งสองครั้งหลังมันก็มาอีกพอมาอย่างเนี้ยพอมาตอนหลังเนี่ยเราไปเกิดความอยากอยากมันจะมาอีกไหมรออยู่ไปมาแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วมันจะกลายเป็นสภาวะของการนิ่งนิ่งนิ่งอยู่กับที่ไม่มีความคิด ไม่มีอะไรเลยแต่มันจะนิ่งอยู่นะครับอาจารย์มันคืออะไรครับนั่นแหละนั่นเรียก็สมาธิอ๋อแต่เราต้องแต่หลังจากที่เราตัดความอยากเห็นสีขาวนั่นแล้วเราต้องผายพวกต่างๆมันจะนิ่งอย่างเดียวนะครับอาจารย์อ๋อไม่คิดเิ่งแต่งเลยสงบสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาแต่ว่าจะให้รู้อย่างเดียวคือรู้ที่ลมหายใจตัวนี้ถ้ามันนิ่งนะไม่ลมหายใจมันก็หายไปหมดไม่จําเป็นเลยใช่ไหมครับมันจหายไปหมดมันจะทิ้งหมดเลยแต่ต้องไม่หลับถ้าหลับก็คือจะอไรอีกเรื่องอะไรคนละเรื่อง จะพีกจะลองฝึกอะไรนะคะพี่ก็บอกที่ของพระที่ให้กรรมฐานเราเราฝึกสมาธินะคะพี่ว่าเกษานะค่ะเกษาลงมานะคะตันตาตะจูที่นั่งลงลงเป็นๆใช่ก็เหมือนเหมือนสวนวนเนอะเราฝึกตอนนี้เราฝึกห้างหกคำนี่แหละค่ะเพราะเพราะบื่อที่การจะมานั่งทำอะไรมันก็ไม่ได้แล้วค่ะสุดท้ายก็เลย ก็ลองเกย์สายลมมาปฏิโลนไปแล้วอนุโลมช่งนี้เขาฝึกตรงนี้เหาะเขาฝึกส2ยเลยเนี่ยอาการสายสงแค่5ปอนด์สายสุดสองเพักหจําอ๋ฝึกอันนี้ด้วยเหรอคะใช่ลองสายก็ดูนี่เขา้นิ้นลองมาจับตัวนี้นะคะพูดโทก็ไม่ไหวอะไรก็ไม่ได้ก็ลอลง่า เอกสารลงมานะคะตาาจูตาจตาขึ้นมาเรื่อยค่ะเริมฝได้เดือนสเดือนได้ลคะไม่ได้ทาอย่างนั้นหนส้างรูตรงนี้แล้วก็ต้องุององององดีวย <c oughs> ไม่ไม่ต้องไปตามอาการก็ได้ท่องชื่อมันไปก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนกันก็ให้ใจให้จิตมันมีงานทํำมันจะได้ไม่ได้คิดอะไรติดตัวนี้ละค่ะติดนะคะติดละได้ตัวไหนก็ได้เกสาโลมาเกสารอยู่ตรงไหนโลมาอยู่ตรงไหนก็ได้ติดติดตัวห้าตัวนี้ละค่ะตอนนี้คือมันยังไม่ยอมอยู่ดอยู่กับที่ไงก็เลยต้องหาอย่างอื่นให้มันทําตอนนอนจะนอนก็ตัวนี้ก็หลับไปเลยหลับไปเลยติดแล้วแต่นี้ห้าครั้ง พระอาจารย์จําคนที่มาถางพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องโสดาบันใช่ไหมครับที่ถางเกี่ยวกับว่าวันเสาร์ที่ครับที่ว่าเรื่องการซื้อบริการหญิงนะครับ อ, อย่างนั้นคนนั้นก็หลงนะครับหลงเสีห ล, ลงว่าจะเป็นโสดาบันใช่ไหมครับไม่รู้หลงเป็นก็เท่าหลงเรื่องสินข้อห้า <c oughs> มากกว่าใี่เอาหลงสินข้อข้อสามมากกว่าอย่างนี้แสดงว่ายังยังไม่ผ่านหรือยังไม่ได้ยังไม่ได้หรอยังถ้ายังถ้ายังมีความอยากในในกามแล้วก็ยังยังยัง ยังยังไม่สามารถรักษาสีลด้านนั่นก็แสดงว่าแต่เขาก็ถามอย่างเดียวเลยจนกลัวว่าเขาจะหลงว่าเขาเป็นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าออไม่หรอกเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาเป็นยังไม่เป็นเขาเพียงแต่สงสัยว่าสีนข้อสามนี่มันมันรักษากันยังไงนี่มันก็เป็นคำกว้างๆประเพณีไม่ให้ประพฤติผิดประเพณีประเพณีที่เรารู้กันก็คือต้องสามีเดียวภร ร, รยาเดียวเท่า<ร>นั้นเอง อ่าถ้านั่งเหนืออย่างนั้นก็ถือว่าผิดประเพณีนะช่นไม่มีไม่มีสามีไม่ไม่เป็นสามีภรรยากันแล้วไปร่วมหลับนอนกันเนี่ยมันก็ผิดประเพณีนะท่านบอกว่ปไปเที่ยวหญิงบริการอย่างนี้นมันก็ไม่ใช่เป็นผัวเดียวเมียเดียวแล้ะมันไม่ได้เป็นสามีภรรยากันก็ถือว่าผิดประเพณีนะตรงนี้ก็น่าที่จะเราว่าผู้สูงเนี่ย พว้บกเจ้าสงคที่พระสงฆ์วเจ้านที่สองทังหลายก็เป็นกษัตริย์ก็จะมีเมียมากอก็อย่างน้ยังว่าิศีลแ้วเาก็มีเสน่มากก็คว่าบีเาอาจจะยกเว้นกษัตริย์ก็ได้กษัตริย์มิได้จะมีบารมีที่สามารถที่จะมีมีได้หลายคนมีแล้วไม่มีปัญหาอะอย่างนี้ คือมีแล้วเขารับเลี้ยงดูเหมือนกับมีคนเดียวเป็นปรเด็นนี้นิยมด้วยประชาชนคนในสังคมยอมรับว่าเป็นไม่มีใครไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องไม่มีราวกันแต่คนธรรมดาไปทำอย่างนั้นก็เดี๋ยวก็เกิดเรื่องการทะเลาะกันครอบครัวอะไรต่างๆแต่ก็ไม่แต่ก็กลัว แต่ก็กลัวอำนาจของกษัตริย์ถ้าจะถามว่าเป็นถ้าผิดจะถ้ายกว่าผิดก็ผิดกฎที่ว่าหัวเดียวมีเดียวแต่ทีนี้คำว่าแบบการประพฤติผิดประเพณีนี้มันเป็นคำหวานที่กว้างมันก็เลยไม่เราก็ไม่กล้าชีชั้นลงไปว่าผิดหรือไม่ผิดคือทางลูกับทางคำนะคะ ีเหการยินดูเขาบอกว่าให้ทำหัวเดียวเมื้เดียวแค่เร่งจากสมัยพระลักษณ์รารามพระรามก็สอนเอาไว้ว่าเป็นยุคที่หัวเดียวเนืเดียว<ช><ช>่นีน้มาอ่านพระสูตรของเราพระพุทธเจ้าท่านก็ทำนายเอาไว้ว่ า, าพระพุทธเจ้าถัดจากที่องค์ที่สามคือพระธรรมรามคือพร ะ, ร า, พ ร, ะรามเป็นไปได้ไหมถัาพวกพระรามเนี่ย มันสําคัญเนระเป็นไม่เป็นก็เรื่องของเขาแหละไม่ใช่หร <c oughs> อเรื่องของเราตอนนี้เราเราดับกิเลสของเราได้หรือเปล่าดีกว่า <c oughs> อย่าไปไกลเลยอย่าไปนอกตัวนักปฏิบัติจะไม่ออกข้างนอกจะเข้าข้างในจะแก้ปัญหาข้างในตอนนี้ทุกหรือเปล่าทุกแล้วดับมันได้หรือเปล่าเอาแค่ น, นี้พอแล้วความรู้ต่างๆนี้ถ้ามีไว้ก็มีไว้เพื่อเสริมให้เราได้เข้ามาดับความทุกข์ภายในใจเราเท่านั้นเองถ้ามันไม่มาดับความทุกข์ก็กลับกลับมาสร้างความ สงสัยอันี้ก็อย่าไปสนใจมันดีกว่าไม่เกิดประโยชน์ความรู้บางอย่างรู้ไปไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าไปรู้มันความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดเข้าใมแต่ความรู้จากแยกแยะความรู้ไหนเป็นความรู้ที่จะดับความทุกข์ได้เอาตัวเราลอดจากความทุกข์ได้เอาความรู้นั้นมาใช้ความรู้ที่ไม่มาดับความทุกข์เราอย่าไปสนใจรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ มาสัมผัสกับธรรม ะ, ะสัมผัสกับการคนมาเองหรืออะไรมากมายอาจารย์หจะได้ฟังพระอาจารย์หรือคนพูดเนี่ยมันเหมือนจะไม่ค่อยอยากไปตามฟังเทศนามากนะแต่ว่ามันจะตามดูสภาวะที่เกิดกตวัวมาเรื่อยๆครับอาจารย์เททั้งหมดนี้ก็สอนเพให้เรากลับมาดูตัวเองมาดูเทธของเราเองใจแล้วเนี่ยเป็นตัวแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลามีทั้งกิเลสมีทั้งธรรมะปรากฏอยู่ตลอดเวลา อยู่ที่ว่าเรามองมันหรือเปล่ามองแล้วเราสามารถดูแลจัดการมันได้หรือเปล่าเราไม่ดูใจเราอย่างอย่างอย่างที่ผมเรียนพราจาร์ตอนแรกว่าเนี่ยจิตเนี่ยมันอยู่เนี้ยมันนิ่งอยู่เนี้ยครับตอนนิ่งอยู่เนี่ยแล้วก็เนี่ยการมาดูว่าเห็นว่ามันนิ่งอยู่เงี่ยแล้วมารอดูว่ามันจะแก่งจากอะไรบ้างหรือเปเนี่ยมันก็คือการ ปฏิบัติธรรมะขึ้นมาครับไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรก็ดูคว่งนะคือก็ดูความิ่กิตานุปัสสนาไงกิตปัสสนาเขาดูความนิ่งว่ามันไม่เที่ยงนะคะมันไม่เนี่ยงเดี๋ยวมันก็นิ่งมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยมากระทบมันก็จะวูบไปวากมาตามเหตุมันนิ่งก็ดูความนิ่งเขาให้ดูความนิ่งมันเขาดูว่าถ้ามันไม่นิ่งทําให้มันนิ่งได้หรือเปล่าก็คือถ้ามีตัวอะไรมาทําให้มันกวัดเนี่ยแล้วก็ไปคอยใช้จัดการใช้สติสมาธิปัญญาทาให้มันนิ่งหรือเปล่าใช่ ธรรมะแค่นี้เองไม่ต้องไม่เห็นมีอะไรใช่ใช่ครับดูที่มันเกิดดับเกิดดับว่าอะไรเกิดอะไรดับเนี่ยใช่โยมก็สดดูตรงนี้นะคะว่าถ้าเราปลูกแล้วก็ดูตอนนี้กราปลูกแล้วมันพุ่งออกไปแล้วก็ดูเดี๋ยวเด๋ยวมันก็ดับแล้วก็ดู้แหละค่ะก็ดูอย่างนี้นะคะคอะต้องต้องดูไปจนถ้าแม่มันเกิดถึงจะดีเกิดการดูแต่นี้ยค่ะต้องดูว่ามันเกิดเพราะอะไร ถ้าเราไปหยุดไอเหตุที่ทำให้มันเกิดต่อไปมันจะได้ไม่เกิดถ้าดูเฉยๆมันถึงแม้มันจะดับไปเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ดูอย่างนี้ก็ยังไม่เป็นประโยชน์ชต้องดูแล้วศึกษาว่าอย่างเราไม่สบายเนี่ย เ, เราไม่สบายเพราะอะไรพราเราไปกินอาหารที่มันบูดต่อไปเราก็อย่าไปกินอาหารอย่างนั้นต่อไปท้องเราก็จะไม่ก็จะไม่เสีย แต่ถ้าเราไม่ศึกษาอะไรดูใช่ใชเอามั น, ม น, นทอ่องเสียเลยเสียก็ถ่ายไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับไปกินใหม่มันก็เสียอีกคก็คือการพิจารณาเออใช่ต้องใช้ปัญญาอเช่นความโกรธว่ญญาเราไม่เกิดเพราะอะไรโกิดจากความอยากเรานี่เองอยากจะได้อะไไม่ได้ดังใจก็โกรธใช่ไหอถ้าเราเปลี่ยนใจถ้าไม่อยากได้อะไรมันก็จะไม่โกรธเทานั้นเอง าการดูมันไม่ใช่ให้ดูเฉยๆดูแล้วต้องหาวิธีทำไม่ให้มันไม่เกิดให้มันหายไปอย่างถาวรแล้วแล้วตัวเมตากับตัวเมตากับเมตตาเนี่ยมันจะมาเสริมการปฏิบัติด้านไหนว่าอาจารย์การเจริญที่เราทําเมตามาตลอดเนี่ยมันจะมาส่งเสริมเมตามันเป็นปัญญาไงเป็นปัญญาเป็นปัญญา<อ>ปัญญานี่มันมีหลายแง่หลายมุมครับปัญญาเป็นเหมือนอาวุธเนี่ยมัน เป็นดาบก็ได้เป็นมีดก็ได้เป็นห อ, อกก็ได้แล้วแต่ว่าในการเกิดขึ้นนี้ควรจะใช้มีดดีหรือห อ, อกดีหรือดาบดีครับที่ใช้มีตาก็เพราะว่าเวลาะคนมาทําให้เราโกรธเราก็ใช้มีตานะหรือว่าถ้าเราจะใช้ปัญญาก็ลองที่ตัวโกรธก็ได้ว่าโกรธนี่มันเป็นไฟเราต้องหยุดตัวนี้ไม่ใช่ไปหยุดคนที่ทําให้เราโกรธอันนี้ก็เป็นปัญญาที่เราแล้วแต่เราจะใช้แบบไหนครับางคนยังไปติดพันกับเขาอยู่ ก็ต้องใช้วิธีดึงใจกลับเข้ามาด้วยการให้อภัยเขาพอเราไม่ถือโทษกอดเคืองครับเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วให้อภัยเขาก็ต่างคนก็ต่างไปครับความโกรธก็ดับไปแต่อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าก็คือจากที่ <c oughs> อุเบกาขาต่อศัตรูเนี่ยบ <c oughs> ินเป็นมิตรก็จะดีที่สุดดีกว่าอแทนที่จะไปสร้างศัตรูเราเอาเอาศัตรูมาเป็นมิตรดีกว่าเอาศัตรูมาเป็นมิตรนี่ยิ่งได้ ได้มากดีกว่าว่าเราทําสิ่งที่ยากก็พระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ใช้ใช้ใช้แบบนี้เวลาที่เทวทัศน์สองคนไปฆ่าเมตตาเลยครับเมตตาก็สอนเขาบอกว่าอย่า ก, กลับไปทางนู้นนะกลับไปเขาจะฆ่าคุณนะแต<อ>่พรท่านที่ส่งคนมาฆ่าสามชุดรู้รับชุดแรกเขาเอาเอาเอาชุดแรกมาฆ่าพุทธเจ้าแล้วก็ส่งชุดที่สองมาฆ่าอชุดแรก อนน <S <S แล้วเอาชุดที่สามมาฆ่าชุดที่สองอีกทีปิดปา ก, ากไงพระพุทธเจ้าจับบวชหมดพระพุทธเจ้ารู้<ม>บอกว่าเวลาจะมาฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขอมเขาจะให้เขาเปลี่ยนใจไม่ให้ฆ่าพอเสร็จแล้วก็บอกคุณอย่ากลับไปทางนั้นนะเดี๋ยวคุณกลับไปทางนั้นคุณตายนะมีคนก็<ร>ให้ไปทางชี้พระเมตตาเมตตาสตูตสตูก็เลยเห็นบุญคุณของพระพุทธเจ้าเออ ไม่โกรธเขาแล้วยังช่วยชีวิตเขาเ อ, อีกบอกค่ะว่ายัางเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างปัจจุบันเนี่ยครับผมอ่าการช่วยเหลือผู้ศาสนาการดูแลคนใจอะไเนี่ยมันเป็นออกมาจากการอ่าความรู้สึกเราครับอาจารย์มันเป็นมาจากที่เราทำครับแต่ว่ามันไม่ไม่ต้องมาปรุงแต่งว่าเราจะได้บุญหรือว่าปรุงแต่งเพื่อจะ เพื่อจะได้เมตตาตัวนี้มันออกมาเองนะนะผมเลยรู้สึกว่าทําให้เราไมไ่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่เลยอะเลยให้พระอาจารย์อธิบายมันจะกลัวว่ามันจะมาเสริมตัวไหนของเราคือการทําทําบุญของเราแบบนี้เป็นการอยู่ในระดับทานระดับทานทําทานนี้แล้วก็จะทําให้เรามีความสุขครับถ้าเราไม่เรามาั่นระวังเราไม่ศึกษาว่าเราต้องก้าวต่อไป 2> 2ขั้นสองขั้นเนี่ย เราก็จะติดอยู่ขั้นนี้ติอยู่ที่ทานแต่ถ้าเราศึกษาเราเรู้ว่าออกทําทานเสร็จแล้วขั้นต่อไปก็คือต้องรักษาศีลคเราก็จะเห็นกวามนิสง์ของการทําทานนี้ว่าเวลาเราทําทานแล้วใจเรามีความเมตตาเรามีความปรารถนาดีต่อผู้ก็จะทําให้เราไม่อยากจะทําอะไรที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนครับเราก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายได้เนี่ยทานเป็นบันไดขั้นก้าวขึ้นสู่ศีลศีลก็เป็นบันไดก้าวขึ้นสู่สมาธิ แต่เมื่อถึงสมาธิภาวนาแล้วเนี่ยทานจิตถินก็ควบคู่กันไปโดยที่ไม่ต้องไปทิ้งคือบางอย่างบางอย่างบางอย่างก็ไม่ต้องทําแล้วเช่นทานสมมติว่าถ้าเราไปภาวนานี่เราก็ไปปิดวิเวกอยู่ในป่าเราก็ไม่ต้องไปวิตกว่าจะออกมาดูแลสถานีวิถีทิ้งไปแล้วหมดหน้าที่ของเราแล้วใช่อพอเรายังกลับมาห่วงสถานีอยู่ยังต้องกลับมาคอยดูแลงานนีก็ยังไปงานท่านนั้นไม่ได้ครับ กำทิ้งไปทีละขั้นคแต่ศีลนี่มันมันก็เหมือนจะทิ้งก็ไม่ทิ้งก็ไม่เป็นไรเพราะมันมันอยู่กับเราอยู่แล้วแต่เวลาพอเราไปภาวนาไปนั่งสมาธินี่เราต้องปล่อยทุกอย่างงานบุญงานกุศลงานผ้าป่างานอะไรนี้ต้องปล่อยเลยคือพระอาารนี้หมายความว่าไปภาวนาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทิ้งไปเลยและทิ้งทั้งหมดแบบว่าเวลาภาวนาก็ภาวนาไปไม่ต้องไปสนใจแต่พอออกจากภาวนามาก็ขึ้นมาดูแลต่อได้ อย่างมรรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็มาทําทานใหม่แต่เป็นธรรมทานแทนมาสอนธรรมะหลวงตาท่านก็สอนธรรมะแล้วถ้ามีคนถวายเงินทองมาท่านก็ออกไปทําบุญแจา่ายไม่ได้ให้ทิ้งไปเลยแต่ในข้อเวลาภานาก็ภาวนา อ, อย่างเดียวหมดจากภานาก็ค่อยมางานขอเราตเแต่จะทําแบบแบบแบบเอกคนละรูปแบบตอนต้นเราเราทําทานนี่เรายังทํำพกทามอยากอยากได้บุญ แต่พอเราภาวนาเสร็จสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ทำเพราะอยากได้บุญนะเพราะบุญท่านเต็มหัวใจนะนะท่านทํำเพราะท่านสงสารเราแล้วแล้วแล้วอย่างที่ผมเรียนบาอาจารย์อยู่มาตลอดครับอาจารยว่าไอตัวที่ผมทําอยู่เนี่ยตั้งแต่สถานนี้พิชยุบ้านธรรมะหรือมามาเผยแผ่เนี่ยมันไม่มีโซ่ความอยากได้บุญแม้แต่น้อยเลยครับอาารย์แต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องมาทํา แต่ตัวอยากเฉยๆมากไม่ไม่ไม่ได้อยากได้บุญแต่ว่าได้ห่วงอยากให้บุญตัวนี้เป็นตกกับพ่อแม่ญาติน้องเสียมากกว่าแต่ตัวเราเนี่ยพอเร้สึกว่าเฉยๆมากตัวบุญไม่ไม่มีความสําคัญอย่างเราแต่เป็นแค่ว่าเหมือนแต่ว่ามันเป็นหน้าที่มากกว่าเราจ้ะครับก็เลยแค่นี้ก็เป็นตัวบุญนะคะครับใช่ทราบคพราะว่าว่าความไม่อยากเนี่ยมันทําให้บุญเนี่ยมันมากกว่าไอ อ่ออ่าคนที่อยากหรือหรืออะไรเนี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าจริงจพอแล้วเราเราไม่มีความอยากไม้แต่น้อยจริงจิงแล้วก็เป็นบุญนะที่อยากพ่อแม่ถ้าอยากจะรู้ว่าอยากไม่อยากก็ต้องรู้ก็ต้องดูว่าตอนที่ไม่ได้ทําแล้วมันรู้สึกยังไงออถ้าไม่ได้ทำแล้วมุงง่งมั่นอยากจะทํำนี่แสดงว่าอยากยังอยากอยู่ <c oughs> ถ้าทําแบบไม่อยากนี่เวลาไม่ได้ทําก็ไม่เดือดร้อนอะไร อย่างไม่ว่าเราจะทำอะไรเราอยู่สถานีเราอยู่ที่เนี่ยจิตเราจะนิ่งเราจะไม่รับมตื่นเ ต, น ต, น ต, นต้นดีใจกับเอกตัวที่เราได้อะอาจารย์ผมถึงถามว่าจะมันนิ่งอย่างว่าอาจารย์มันน่งเล ทำทำก็ทำไปสักแต่ว่าทำมอนี้สมมุติสมมติว่าอยู่ดีๆเข้ามาสั่งปิดเงี้ยเขายังไม่ได้ตอนแรกแกล้งเลยนะแสดงว่ายังอยากอยู่ยังอยากทำเงี้ยยังอยากทําอยู่มันยัไม่มดดวมันะพุให้เราเห็นไงถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากก็จะเฉยดีจบจบก็จบไปจะได้ไปทําอย่างอื่นต่อจะได้ไปภาวนาได้ลองคิดดูว่าถ้าถ้าเขามาสั่งปิดสถานีว่าใจเราแกล้งไหมถ้าไม่แกลงก็ ชี้ยกแ่นั้นแสดงว่าเราไม่ได้ทํำนึกทำอยากทำนึกทำหน้าที่ครับทําตามเหตุปัจจัยแต่แต่ถ้าเกิดเหตุใจจริงๆถือว่ามันอาจจะมีแหว่งนิดนึงแต่ว่าก็จะปรับลงมาให้ใจเว่าก็ตามวาระกรรมเราคงมีบุญแค่พอก็จอกแค่เราเทําได้ครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะมีต่อต้อนหน่อยอะไรว่าต่ทำขั้นสูงต่อไปทําสถานีไม่ได้ก็ไปบวตได้แล้ว รักษาศีลได้ไปภาวนาได้ตอนนี้มันทำไม่ได้เพราะมันติดพันกับสถานีอย่างนี้เอาแล้วนะยนสี่โมงนะเดี๋ยวให้พองกนรับนอยยะทาวาเรกวาหาปูราตาเรกปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิตุทินังเตตานังอุปการปติ อิชิตังปัติตังตุมหังพิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพโปรเนตุสามกปาจันททปันาระโสยธามนิจโติระโสยธัสัพพิติโยวิวัชังตุสัพพโรโควินัสตุมะเตสวัจวันตาลายโยสุขีทีฆายุโกภะ มัพปิวาธนะสีลิสะนิจังวุธาปจายโนะจตารโรธร ม, มาวาทานติอายุวนโนโสุขังภาลัาถ้าอยากจะรู้ว่าเราทำด้วยความอยากหรือไม่ก็คือลองหยุดทำดูไม่ได้ทำดูแล้วรู้สึกว่ามัน มันหงุดหงิดหรือเปล่ามันมันจะมันจะไปห่วงคนฟังมากกว่าเพาว่ า, านั่นแหละมันก็หงุดหงิดละห่ว ง, ง <laughs> วง่า ค, คนก็ฟังอยู่ห่วงก็แสดงว่ายังอย่างอยูอ่ถ้าเฉยๆไม่ห่วงไม่อะไรจบก็จ บ, จ บ, จบ<อ>ครับออย่านั้นเองเหมือนคนที่สูบบุหรี่เนี่ยถ้าไม่อยากจริงก็เวลาไม่มีสุบก็ต้องไม่ต้องไปหาซื้อมันอยู่เฉยๆได้คนบางคนบอกว่าผมจะหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดได้แต่ไม่เคยหยุดสักทีพออยู่แล้วมันหงุดหงิดไง แสดงว่ามันยากที่เานนี้มีคนขึ้นมาแบบครับมารับเราอ๋อมีมีมีทุกวันเนี่ยเดกาก็มาให้อ่าันหวานนี่เดี๋ยวนี้มันไม่ที้งฟังเหมือนเดิมทีนี้เนี่ยถ้าเว่าพอจะหยุดทุบนีตอนนี้เราตั้เหนี้กรอเป๋าเนี่ยก็คือม่รู้ว่าเรงชที่ไม่ใช่เี่จะเราะว่าเรารก่อนเตวไม่ต้องร้อไม่ต้อง คือต้องดูอย่างนี้ว่าเงินที่เราจะทําบุญเนี่ยมันมีมัน ม, มีมีทำหรือเปลถ้ามีเงี่ยแสดงว่าเราไม่ทำแล้วก็แสดงว่าเราตันหนีแต่ถ้าเราต้องเก็บไว้เพราะว่ามันมีเหตุต้องให้เก็บนี้มันก็ไม่ตันนีต้องดูที่เหเ ต, เ ต, เตุปกนะฮะอ่า